ฉะนั้นการที่เราเลืกถึงคุณของพระมพุทธเจ้ า, านั้นก็เพราะว่าพระมุนีพระองค์นั้นอันบันดิตู้แจ้งแล้วเป็นผ้ารหัดังนี้เพราะความเป็นผู้ไกลาจากกิเลสทั้งหลายกับทั้งวาสนาและความเป็นผู้ควรซึ่งการบูชาทั้งพวงนี้นทีนี้การที่เราท่านทั้งหลายจะมาบูชาพระบรมศาสดาบูชาพระพุทธเจ้าเย่างนั้นเลยนถามว่า กิริยาแห่งการนอบน้อมในการที่จะเลื่อถึงคุณของพระบรมสาสดานั้นน่ะถามว่ากิริยาแห่งการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็คือการปานามะคือกิริยาแสดงการนอบน้อมต่อพระราชนตรายสามประการแม้ในหนังสือคำอินทรี์สมบัติวิบากนี่นในบทปานามะคาถาที่ท่านบอกว่า ตามยาสั่งอยู่ทตาม ข้าพุทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายนมรสการแด่พระธรรมขอถวายนมรสการแด่พระสงฆ์ข้าการออกวาจาปริงกล่าวอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นวจีบรร n ในวจีบรร n a เหมือนกย่างบุคคลผู้มีกุศลเจตนาสัตย์ทิ้งยินดีในพระศีรัะนาตรัยมิได้ยกมือขึ้นบรรา a m ใช่ไหมเช่นการออกบอกว่า นโมตัสสะบระกะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิจิมานัคือการนอบน้อมด้วยวาจาทีนี้การนอบน้อมด้วยวาจาเหมือนท่านที่จะลดธนารดเจนากรรมทีทั้งหลายหรือท่านผู้ทำบัตตมัสัธยานามีท่านพระมหากรศกเป็นประธานเป็นต้นในขณะที่ท่านทําบัตตมัสัยานาม ท่านก็ได้ตั้งบทแรกไว้บว่านาโ ม, ามาาตัตสสังขระวตวาราโตสมาสมุทัสสาไว้เบื้องต้นทุกคมภี์ของพระไตรปิฎกอย่างนี้ได้ชื่อว่ากุฏิปนามและเหมือนอย่างอาจารย์ผูรัจนาคมภีร์แต่งปนามค า, าถานามสการพระราชนาฏัยตอนต้นคมพีที่กล่าวกุีิปนามนั่นแหละนั่นที่ได้กล่าวอย่างนี้นประการที่สามคือมโนปนามะ มโนปนามนยังก็คือนิ่งนึกระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยความเคารพนอบน้อมอยู่แต่นในจิตไม่ได้นอบ ก, กายออกเปล่งออกมาไม่ได้แสดงทางกายออกมาหรืว่าจางมาอย่างนั้นเขาเยมโนปนามฉะนั้นท่านถามรัตนาจารย์ที่ท่านนอบน้อมพระรัตนตรัยเพื่ออะไรการนอบน้อมพระรัตนตรัยก็เพื่อจากการรอนเสียซึ่งเป็นจาก ก็คือต้องการที่ใช้จักขันธมาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารุ่ยยานกิเลสมานก็คือราชาทูตสมองคาปุตตนมัจุมารเทวปุตมารและพิสังสารมารมัจุมานคือความตายนเทวปุตมารก็คือมารคือยิบกบุตอภิสังขารรามาก็คือเจตนากมทั้งหลายเอ็นุญญากุญญาะอนิจชาที่สังขารถ้าขันธ์ธรรมนาจนาญาท่านมีกมลอุต thai อันตรูนาอาสัเพลิแล้วดีและอุดม ปีแก้วกล่าวแล้วบูรยานบูชาจับยำหลักถ้าจับความมืดโมหันตนาการาก็หมายความว่าองคล้มเด็จพรที่ชิตมารเจ้านั้นเป็นที่สัพสัตสุราสุราเทพดีกร์นะเป็นอาที่ทั่วมือโลกวัฒนแสนโลกวัฒน์นหากมาประชุมกันจัดสรรซึ่งอุดมบีเดศการาับูชาพราะองค์ดํารงพระนามศรีสุขพุทธสุภรายานเพื่อัธว่ามีคติการทำเป็นสิวาสถานที่ทรงดํารง คือระมศาสดาท่านก็จากกาค้าโดยสาโมงห่างแล้ว<ม>แล้วก็ท่านกประกาศอริยสัจจะธรรมที้สี่เพื่อราท่านทั้งหลายเข้าถึงสภาพของกาที่จะไปรอบรู้ประศัเพื่อจะลสสะสุเทยสัจจะทํามิโรทัศสจัจจะให้แก้งแล้วก็ดาเนินปฏิบออัติาาทางเพื่ออาริยสัจมัทสันที่เป็นปันจจัยแก่การถึงปณิธานปีติบาสิทธิข้าพระพุทธเจ้าบอกว่า ขอโอนุดงเกตอภิวาสนอบโรอุตรัตทำทัา น, นนานกล้าก็คือมากสี่บนสพนหนึ่งพร้ อ, พอมพระภัยธรรมอันประเสริฐสามารถจะทําที่สุดพบเรียบหลบสรรพสัตว์อื่นในลึกซึ้งสุดปัญญาสามัญสัตว์จะเห็นได้ยากและก็แค่หลายด้วยความประนี้สุขุมโดยจะตรัสรู้ยากหากไม่ประพฤติเป็นไ ป, นปนตามที่ต้องสำความหมายว่า สัตวทั้งหลายที่น้องไปในกามุวิตกพยาบาทที่ผุดตกไปแล้วกามญิงสาวผตกนั้นนะ่ะยากนักหนาที่เป็นปัจจัยในการทันตลอดอรายุสัตถามว่าท่านผูดด้ใดปราศจากหนาความบุญโ้นจากสังสารวัตท่านคนนั้นต้องใช้ความเพียรนั้นมั่นคงในการที่าจะขจัดกามุวิตกคือความคิดที่น้องไปในเรื่องโลภเสพติร้อนสะัแล้วก็ทํำมาลงในเ่งที่เป็นไปโดยส่วนของวัตกรรมและกรรมบุญทั้งหลาย แล้วเราต้องออกจากพยาบาลีิตกคือความคิดในเรื่องของความโกรธความไม่สบายใจและไม่สบายการเป็นต้นนี้และเขามีหินสาววิตกในการคิดเบียดเบียนเขาคนที่ขาดการูนาเนี่ยถ้าหากว่าเราจริตเราออกจากการวิตกก็คือเวามเบนเน่ของมารีและในที่สุดจริงจริงก็จะได้เป็นปัจจัยในการเิงตลอดเป็นต้นนั้นข้าพระพุทธเจ้าของนุโมทนาการชุลีกรบปนมแต่พาลียศ ผู้ประเมินในอัสดาริกลับก็หมายความว่าผ้าริยาสมเนี่ยท่านสา ม, มารถไปชมวมิญาณมากดียวแบบได้คือผ้าริยาสงเนี่ยแปลว่าอะไรท่านเดินมากดีวแบบนั้นจนชำนาญแล้วในกระแสขันทองท่านโดยเฉพาะที่ท่านเดินสมาธิใช่มสมาวายมะสมาสตนนิที่จะไปแว อนุมาเคยกล่าวไว้หลายที่บอกว่าเราท่านทั้งหลายเดินสมาทิฏฐิกันได้ไม่สะดวกไม่คล่องแล้วก็ไม่ไม่ควบไม่เป่ง ไ, ไม่รอคอกเช่นบางครั้งเราคิดถึงพระประมาสสดาคิดถึงพระธรรมของพระประมศาสดาเป็ตนต้นในขณะนั้นสมาทิฏฐิก็ดูมี ท, มทีมีท่าในการที่จะออกมาเป็นบ้าดในความมิสุตรของเราเลยว่าเช่นมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นไปในส่วนของกรรมปัจจาสมาทิฏฐิ ในลักษณะขอการว่าเชื so case, mm ่อกรรมคนตงกรรมด้วยเข้าใจในเรื่องตรรมคนต้องกรรมเป็นอย่างดีด้วยทีนี้เราลองพิจารณาดูในเรื่องของสัมมาทิฏฐิของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเอาแค่ทานในกุศลเอามาิจใจทานกุศลในความเรื่องเลยเอาแค่เราคิดเรื่องทานเนี่ยว่าเราสามารถเดินเรื่องมาทิฏฐิได้หรือถามว่าในขณะที่เราให้ทานเราก็ไปให้ทานแล้ววันเนี้ยเราได้ให้ทานแล้วเช่นถ้าวันนี้เรา การที่ถวายอาหารถวายน้ากันหน้าถวายความสะดวกให้กับท่านที่สุธารมเนรอุบาสกอุบาสิกาที่มาเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะแล้วก็มาพิจารณาในท่านที่มันนั่งอยู่บนสลาการบระเรียนหรือสละหลังเนี้ยหรืที่เรียกว่าสละล้มเหเนี้ยว่าเออที่มันนั่งกันนวันเนี้ยคือผู้ว่าพฤติธรรมทำให้ผู้ว่าพฤติธรรมก็แปลว่า ก็แปลผู้ที่จะมาเดินตามรอยบาตรศ า, าสดาในการที่จะนำเราก็ทำคําสอน ข, ข, ของพ่อพุทต菩萨สดานั้นเข้าสู่กระแสขันธาตุอายันตนะเข้าสู่จิตใจทีนี้ถามว่าพระธรรมคืออะไรไหมพระธรรมก็หมายความว่าสัตว์ทิมซีวิริทิมรียสติมรีสมาทิมซีปันทิมซีเป็นต้ น, น, น, นคือตอนนี้เรามีสภานี้รัผู้มีพระภาคเจ้าเราก็มาประชุมกันในการ ทำไมต้องฟังเราต้องการให้สัตว์ปีนีของเรานั้นได้อาหารเพราะศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิสมฆรนาสิกามันการที่เรามีศรัทธาในเพราะเราคบพระพุทธเจ้าสาวกุลพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยอาศัยว่าธรรมของพระบรมศาสดานั่นแหละเป็นปัจจัยเขาเรียกเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็ได้หรือเป็นปัจจัยภายนอกก็ได้ในการที่จะเข้าสู่กระแส เพราะว่าสัทยานั้นได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าปากขันช น, นะศรัทธาดีตัวดีไหมก็หมายความว่าศรัทธาเนี่ยมีลักษณะของใสอีกอย่างมีลักษณะของศรัทธานั้นก็เป็นธรรมชาติอินทีการและมันอยทํารรมด้วยนเบืนนะ้องสูงก็หมายความบอกว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราปราถนาอนุบาฏฐานป ร, ริยนิทานอย่างพระพุทธเจ้าย่างสาวก ลาราถนาที่จะดับราค่าโทสะโมหะลาธนาที่จะต้องการจะดับตาของจมูกเรีนกายใจไม่ต้องการให้มีตาของจมูกเรีนกายใจนั้นเกิดสืบต่อไปในสังสารวัฏถ้าพูดอย่างเนี้ยฟังแล้วจะดูค่อนข่างไพเราะแต่เรางพูดอีกคำหนึ่ดิเราจะลุนเลยถ้าบอกว่าท่านทั้งหลายลาถนาไม่ผุดไม่เกิดไหมถ้าทำอย่างนี้ได้หลายด้าะมีว่าสึ่ว่าโอ้โหหนักไป ใช่ไหเหมือนเราเคยถูกตำหนิเมื่อเด็กๆว่าขออย่าได้ไปดเกิดเราก็กลัวใช่ไหมกลัวการไม่ไดุ้ดกลัวการไม่ได้เกิดใช่ไหมใั่การกลัวการไม่ได้ขุดไม่เกิดแต่มาเคยเล่ายอม่างหนึ่งความกลัวมีคนคนหนึ่งไปที่สารานปณิชย์กมานำประกาศ น, นี่แหละไม่เราจะจะม า, าปล่อยไ ป, ป, ปด้วยทางในภูสุศต์ของ้าพเจ้าท่าน ด้วยธรรมกุศนของข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะทําในครั้งนี้ก็ว่างานขอให้เป็นปัจจัยขอให้ใจให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้ปุถุพิบูลย์ไปถึงบอกโอ้โหู้ความทันใดรู้สึกบนเน่าเลยคนตัวการไม่ได้แต่ยังเราทั้งหลายนั้นเราเบื่อกันเพราะเราเห็นว่าการ พอชาติเหทนรมาแล้วก็ตามมาดูชะลาประยาทีแล้วทัางมดจะได้เราทีนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของทางมา น, นมันสนใช่ไหมถ้าเรามาพิจารณาดูว่าอย่างเราท่านทั้งหลายก็เข้าใจแตยงหลายท่านที่ยังไม่ได้ตึ่เข้าถึงสภาวาุธรรมก็อย่คิดรับสารว่าวการให้ทางเราเป็นผู้ให้ทานแกบุคคลที่มาขวางขังแกบุคคลที่ม า, ามบดบดข ทีนี้ถ้าหากฟังธรทมเรามีความเข้าใจกันอย่างดีแล้วแปลว่าหนึ่งการฟังธรรมคือการประพฤติธรรมคือการขัดเกลากันนะครอ่าคือการขัดเกลาก็คือว่าสาวกของพระรมศาสดารู้ว่าพิสูพิสูนีอยบาสกและอุบาสิกาในสมัยทั้พุทธกาลแปลว่าฟังธรรมจากพระบศาสดาหรือสาวกของพระมศาสดาเหล่านี้ได้รเป็นที่าแม้ในปัจจุบันนี้ พายาบุคคลนั้นน่ะปลาตอตูต่ในสวรรค์ทั้งหกเต็ไมไปหมดเริ่มตั้งแต่จ า, จาราุมาราชิกาตาวรินสายามาดุสิธานงมาณรีแม้ปราริมิวสวัสดีรูปภพคนนี้เว้นแต่สัญญาสัตปุกและในเบื้องต่ำที่จะมีพายาบุคคลก็คือพายาบุคคลสีนอกนั้นแปลว่าพายาบุคคลนั้นมีหมดและสรุปแล้วว่าศ า, าสนาของพุทธบริวรสสดานั้นน่ะเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญา ตัวสิขาสามการศีลสมาธิปัญญายังเล่นอยู่ในกระแสะขันท่าอายตนะองท่านผู้ใดชื่อว่าศาสนานั้นยังไม่เสื่อมอยู่ตอบนะใช่ไมแต่ถ้าถาว่าท่านผู้ใดไม่สามสารถนําศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่กระแสขันท่าอายตนะได้เข้าสู่จิตใจได้ปแปลว่าศาสนาเสื่อมอย่างจิตใจคนละคนนั้นฉะนั้นธรรมศาสนาเป็นชื่อของสิกขาสามเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญา ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองมาตรวจตันี้ว่าในขนณะนี้สัตยินทรีย์เกิดในใจเราไหมถ้าสัตยินทรีย์เกิดในใจเราผมบอกว่าศรัทธาเป็นประธานของอุโสรธรรมทั้งหลายก็แสดงว่าต้องศรทัทธาถูกต้องเลยนะไม่ใช่วิจฉาอิมโมส์ศรัทธาเจตสิกกับอธิโมส์เจตสิกที่เกิดร่วมกันกับอารมณ น, น, น่ะ ถ้าทิโมกยใจจะสิ่งที่เกิดร่วมเงินกาคำสนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าศัทธาเทียมเพราะเป็นเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเอาความเชื่อนั้นไปตั้งไว้ในวัตถุที่ไม่ควรเชื่อ mm hmm. เช่นไปตั้งไว้ในลัที่ด้วยคาสอนนองกิเลสีหรือไปตั้งไว้ในคําสอนที่ไม่ถูกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสัทธาเทียมนี่มั mm ้ย hmm. ฉะนั้นในกรณีที่ศรัทธากําลังตั้งไว้ในกรณีที่บอกว่า เราให้ทานนี้ที่เราพูดถนีเรื่องของทานในภูสลถามว่าทานในภูสุลยังมีคําว่าอารรถถ้าเราเข้าใจว่าเรามป็นผู้ให้ทานแล้วก็มีบุคคลที่รับทานการเข้าใจในลักษณะนี้เป็นสามัญเป็นปกติที่คนทั่วไปก็เข้าใจอันนี้เป็นภูสุลในชั้นของที่เป็นไปตามปกติที่ยังมีทั้งสภาพสัตว์บัญญัติตา่างๆเนี้เป็นไปอยู่ซึ่งก็เข้าใจได้หลายท่านก็ทําให้ทานก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า ก็จะให้เป็นฌ า, านุสติใช่ไหมสติที่จะเป็นไปในเรื่องของฌานนุสมบทจริงๆนั้นถามว่าตัวฌานนุสมบจริงๆมันได้แก่เจตนาเขาเรียกเจตนาฌานก่อนให้ขณะให้แล้วมหลังให้ใช่ไหมแยกเจตนาที่เป็นฌานนั้นจะต้องเจตนาที่เป็นไปกับอุปสมบทุกปรารก็แปลว่าเป็นไปกับอุศลอันนี้เอาตัวเจตนาเป็นประธานนั้นส่วน อกส่วนหนึ่งเข้า อ, อโลมะอโรมณ์คือความไม่โล้คือความไม่ติดข้องคือความไม่ยึดติดอโรภณ์เป็นบรรธานที่ในกุศลจิตวบากด้วยกันที่ปาลบเกี่ยวกันให้เพื่อ ส, สลักสลัในการที่อะไรที่อยู่ในใจสละความตนันหีความหมองอยแหน่ความติดความยึดในวัตถุในสิ่งของเห็นไหมว่าหนึ่งเจตนาทาสอง อโลมณทีนี้ในเจตนาทางและอโลมณ์ทางนะ่ะยังไม่พอจริงๆถนะ้าหากว่าทางที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปหน่อยเรียวิรติทางถ้าวิรติถือทางนั้นแปลว่างดเว้นเลย อ, อันนั้นเป็นชื่อของโู่นเกดิดอะไรเรามองวิรติจรสิกโน่นขึ้นไปถึงโ น, นะน่นน่ะสีโน่นอันโน้นตายเจริญปาคือการไม่เบียดเบียนไม่ประทุสรายให้ชีวิตเขาให้ความปลอดภยัยเขาเเรื่องการให้กัน ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัว์ให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัวของเา้าให้ความปลอดภัยให้เขาไม่เดือดร้อนใจให้เขาปลอดภัยเป็นต้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของคาร์นิมันแต่เป็นชื่อของปรมาภิธรรมนะั้นเป็นชื่อของเจตนาเป็นชื่อของอโลมะเป็นชื่อของวิรัติทีนี้ถ้าพูดถึงเจตนานนัน้เป็นสังขารอารมณ์เป็นสังขารเขาเรียกสังขารราษ แดนบดดาสังขารหลักฐาเหล่านี้เขาก็เกิดร่วมเวทนาขันสัญญาขันใช่ไหมสังขารหักฐาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็วิญญาณขันรวมเป็นเสร็จก็คือกุศลจิตวบาตทีนี้ในกุศลจิตวบาตที่เป็นปัจจัยการที่มีตั้งใจในการที่จะให้ก่อนให้ขณะใ ห, ใ ห, ให้หลังให้หรือในขณะที่เรามีความไม่โลภตัดได้สลากได้ไม่ยึดติดในวัตถุในสิ่งของตรงนั้นจะเป็นสภาวะของว ร, รมธรรมที่มีการสลากมีการ นี้วัตถุสิ่งของเราสมมติกันว่าเป็นข้าวสมมติว่าเสนาสนะเราก็บัญจัด ก, กันขึ้นมาใช่ไหมอาหารนี่เป็นอาหารนี่เป็นแก่นี่เป็น ข, ออข้าวต้มอะไรก็วางไปอันนั้นถ้าโดยสภาวะจริงๆแล้วมันได้แก่ดินน้ำไฟลมสีกิลโลโทชัสรุปก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เราให้เราสละเราบริจาคนั้นก็เรียกว่าอาหารพูเห็นไหมว่าเจตานา หรือกรุงนามธรรมที่ตั้งอยู่เนรูปธรรมคืออัจฉยะวัตถุเป็นต้นหมาพูดเป็นต้นเขาเรียกว่าในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญยาณเป็นผู้ให้ให้อะไรสลาอะไรสละดินน้ำใบลมสีอินรถโอชาธาที่สมมุติว่าเป็นอาหารบ้างที่สมมุติว่าเป็นข้าวของเป็นต้นบ้างถ้าว่าโดยสภาวธรรมต่างๆนี้เป็นอะไร เป็นรูปเวทนาสัญญาต่างขานิญามอีกผู้ให้รูปปัจจุบทีนี้ส่วนผู้รักเราประสมมุติว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยโดยสามมายูอาหารวก็เรียกกันอย่างนี้แต่ถ้าเจะอดไปถึงสภาวะธรรมจริงๆก็คือได้แก่รูปเวทนาสัญญาต่างขานิญามอีกเอนกันเห็นไหมถ้าพิจารณาทางในกุศลเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสามารถเดินทางในกุศลนั้นได้ แม้จะเจาะลึกลงไปถึงสภาวา่าทำไปหนึ่งฐานท่านในเยตนาที่พวกและฐานท่านในเยตนาาะเัะ็นผูนน้รับกันนะถามว่าถ้าพิจารณาเนล่องในการที่จะให้ทานได้ในลักษณะนี้ก็เรียกว่าในที่สุดจริงๆเมื่อให้แล้วก็ไม่เป็นไปเ้ื่อความยินติดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านให้ทานแบบนี้และทานของท่านนั้นท่านจินสามารถให้ได้อย่างเหลือทนนานนะท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนี้ว่าทำไมพระโสดาบันจึงไม่มงง่ะ เพระพระโสดาบันท่านถอดอัตตาทิฏฐิหรือสักยทิฏฐิออกจากกระแสขันธ์ธาตุญาณนาของท่านได้แล้วแค่นั้นเมื่อถอดสักยพญาทิฏฐิหรืออัตตาทิฏฐิที่เป็นประธานของมิจฉาทิฏฐิ62ได้ไอ้บรรดามิจฉาทิฏฐิหรือปาปกรรมมันรางุ่นทั้งหลายที่เป็นอปาญากรรมนิยานที่ถูกถอดตัดสลับออกไปเลยถ้าเหล่านั้นจะไม่ลงไปสู่เปรนสัตว์โรกเรศหรือกายสีราชาใช่ไหมจะไม่ลงไปสู่อายุธและจะไม่มาสู่ภูมิเบื้องต่ำ จะไม่เป็นคนบ้าไม่บอดหนูแล้จะไม่ได้เป็นคนที่คนมีการเสียแเฉยเสียขาต่อไปแล้วแต่ว่าอุปโธลกรรมลาทุกั้งหลายที่ท่านทํามาอย่างยาวนาั้นถูกตั ด, ดตอนอยู่ถูกตัดขาดทันทีใช่ไหมถูกตัดขาดจากอุศโธลกรรมถูกตัดขาดด้วยแม้วิบากของหลอุปโธลกรรมที่ท่านเคยทาไว้ก็ถูกตัดขาดด้วยเขาเรียกว่าอ ก, กรรมแห่งสังสารวัชรที่เป็นไปในส่วนบนต่ําสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนของ การที่จะลงมาใบโยงนั้นถูกตัดขาดเพื่อเมเลยนั่นเพราะอะไรเพราะอ น, นิสงส์จากการถอดสักยญาติถิวิจิฏฐาสีรก็ตรระปรามมาที่เขาเรียกว่าอัตตาทิถิหรือสักยญาติถิทีนี้คนเราเนี่ยที่หัวมันเนี่ที่หวัหวงันก็บองค์อรรุราธรรมทั้งหลายคือความตนหนีที่จริงความตันหนีเนี่ยเขาเกิดร่วมกันตัโทสอยสามัจฉริยะกุญาที่มันเพราก็เกิดร่ว ม, าามกันกับ เป็นลูกน้องลูกโทรศัพท์แต่มัจฉริยะนี่นะและลิซยาทั้งหลายนี่นะที่เป็นไปในส่วนของเร็วชัวนสามสามช้าทั้งหลายะจะถูกโสดาอีกมากนั้นถอนออกมาได้เลยทีนี้ให้สังเกตดูดีพระโซดาบันงไม่เป็นไปเมื่อารขัดแยง้งจะไม่เป็นไปเมื่อการเรามีว่าจะมีเป็นไปเมการรวมมินรบุคคลอื่นเป็นต้นสังคมธรรมมนุษย์เนี่ย ที่มีการขัดแย้งกันมีการทะเลาะบอกแว้งกันมีการกระทบกระทั่นกันมีการต้องเสียสีกันมีการที่ว่าปัุสุบันซึ่งกันและการอิจราะอะไรก็เพราะว่าสังคมมนุษย์เนี่ยยังขอดสลักตัวมัจฉาด้วยความตนหีไหม่ได้ใช่ไหมให้ตัวมัจฉาดและความตนหีต้องขอได้ด้วยโซดา ป, ปฏิมา ทั้งๆมีสัตว์ทั้งหลายก็ปราถนาก็าเราไม่ปรารถนาความขัดแย้งเราปราถนาไม่ปรารถนาการแต่เรามีว่าเราไม่ปรารถนาในการที่จะข้ามผ่านขึ้นกันและกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารณ์หรือหน้าคนธรรมทั้งหลายเนะี่ยก็มีความคิดกันแบบเนี้ไม่ปราถนาอย่างที่เห็นโลกนี้วุน่นวายเแต่ท่านเหล่านั้นก็ทนไม่ได้เมื่อมัจฉญะและความตณีหรฤทริษยาตต่างๆนี้มันเข้าลุกล้อมในกระแสขัน ข้ายินดีต้อนรับงท่านเพราะสติสัมปชัญญะใช่ไหมสติสัมปชัญญะของบุคคลที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพระโสดา บ, บันถนอนเนื้อมา่เหมือนเราท่านาาทั้งหลายหลวงพี่จารดาตรงว่าเราไม่ได้เจริญสัมาทิฏฐิให้เป็นระบบถามเราเคยคิดไหมว่าเราจะรัะวิชชาทิฏฐิเพื่อจะเจะริญสัมมาทิติเพื่อละวิชชาทิฏิแล้วเราก็จะเพี้ยนไปยาวเพื่อจะเท่าเพื่อจะละวิชชาทิฏฐิเข้าถึงสมาทิฏติ มีสติในการที่จะตามละลึก็จะรับมีฌานทิฏฐิเข้าถึงสมานิฏฐิแล้วเราเอาสมานิฏฐิเป็นสมาวายมะสมาสติเนเป็นร้อสมานิฏฐิแล้วก็ขยายวงย่อของสมาธิฏฐิที่กว้างขึ้นว้างขึ้นสมมุตินะเรามองเห็นทรพระโอจพาระรวกเนี่ยท่านมีข้อวัดปฏิบัติดีสมานิฏฐิเกิดเพราะมันรู้สึกว่า เ, ออเุแล้วเต แต่ในวันใดวันหนึ่งเราไปเห็นพระบางรูปเนี่ยปฏิบัติไม่ดีใช่ั้มสมาทิฏฐิไม่เดินกรรมสัตตาสมาทิฏฐิไม่เดินนิปัานนาสมาทิฏฐิไม่เดินเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เดินสมาทิฏฐิอย่างกว้างขวางเพราะสมาทิฏฐิของเรานั้นมันยังอยู่ในวงจรที่จํากัดอยู่เราก็เลยไปแยกแยกทิ้งขนาดไม่เห็นธงชัยรู้บ้างละกันทััน ก็ลอคิดดูทีช้างพระโพธิสัตว์แม้เป็นสัตว์กระด้างเห็นกิวอนฆ่ากายของไทมที่ทําร้ายตนเองแต่ช้างพระโพธิสัตว์ตนนั้นมีสมาธิฏิได้ใช้ไพิจารณาอยงีสมาธิฏิก็เกิดได้เนี่ยที่พูดอย่างนี้ต้องการอะไรรู้ไหมต้องการที่ท่านทั้งหลายเจอสมาธิฏฐิครบวงจรมันเพื่อประโยชน์กระแส ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการนาฬิกาบราณเก่าใช่ไหมทีนี้นี่เราจะเห็นได้ชัดว่าการเดินสมาธิอย่างอย่างเรานั้นเป็นสมาธิเป็นกระจุกกระจุกไม่กระจายตัวและสมาธิจะร้องเรื่องไม่สามารถสาธทะไปรุ่เรื่องได้ดงนั้นะการเดินสมาธิแปล ว, ว่าหนึ่งพระบระมาศา การเดินสมาธิทิ่เวลาพระองค์คิดถึงมระรัตพระองค์ก็มีสมาธิิมีสมาวิมานและก็สมาส ต, ติในการที่ไปแวดล้อมสมาธิิขององค์ได้ชัดเจนนะแม้แต่เป็นพระโพธิษัตวพระองค์ก็เดินสมาธิได้ชัดหรือถ้าหากว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะตอนที่เป็นพระโพธิษัตว์เนี่ยท่าจะไปคิดถึงอดีตชาติก็เท่าั้พระองค์ก็เดินสมาธิสมาวิมานสมาสติได้ท่านไม่มีความขัดเคืองเลยอะ แม้ในบุคคลที่ปัทธร้ายท่านในแม้ในบุคคลที่ไปทําดีโดยท่านปัญหาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเติดขัดเรื่องการเดินสมาธิจิตไม่สะดวกเวลาเราคิดถึงถึงบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยสมาธิจิตคุณท่านเดินได้ดีถ้าไปไปคิดถึงบุคคลที่ประพฤติปทุสร้ายต่อเราต่อครอบครัวเราต่อญาติพี่น้องเราเป็นต้นรู้สึกมันจะติดขัด บ, บางครั้งเนี่ยอย่าว่าแต่คิดถึงคนอื่นเลย แม้แต่วัตถุที่เรียกว่าพ่อและแม่ของเราบางครั้งเราก็น้อยใหญ่กันได้อย่างนั้นบางครั้งเราก็โกรธได้เป็นกันในวัตถุชิ้นนั้นเน่ยเราก็ไม่สามารถจะเดินสมาธิถี่ได้สะดวกนี้ผู้ที่มีอุปกรณ์แล้ใช่ไหมดังนั้นอย่าแปลกใจว่ารู้จักสมาธิถี่ว่าเป็นสมาธิถี่รู้จักวิชาถี่ว่าเป็นสมาธิถี่ความรู้ของเธอจะเป็นสมาธิท่านก็เลยมาตั้งบอกว่าใช่ไหมท่านก็เลยมาตั้งอะไรใช่ไหม ท่านก็เลยมาตั้งในลักษณะว่าเกี math, ่ยวกับเรื่องของนาทีผิดนั่งนาทียึดถังนาทีหมู่ต่างเป็นต้นจนถึงนาทีมาตาหน้าทีดีได้ทั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราโกรธมาดาโกรธดีได้ถามว่าตอนนั้นน่ะแปลว่าจิตใจของเราเป็นวิชาทคิดที่ดีตอนนั้นเราไม่เห็นคุนท่านนะไม่เห็นคุณของท่านนะเพราะเราโกรธได้แล้วเราโน้มใจท่านได้เราคิดประทุษร้ายท่านได้ ท่านถึงบอกว่ารู Ree ้จ <Yeah. S 1> ักไหมว่าตอนนั ume, are, ้นเป็นวิชาพิธีกำลังไหลท่วมทับกระแสการธาตุยานั่นะบางทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้มาทํารมคสอนเป็นต้นใช่ไหมเราก็แยกออสมัยก่อนเนี่าเล่าประสบการณ์อะไรมาหนึ่งเอามาก็มีครูโบนปลายางเนี่ยบางทีก็ครูบาอาจารย์ก็ตอนนั้นเราก็ศรัทธาใช่ไหมพอหยู่ต่อมาเรา เราก็เริ่มมีความรู้พัฒนาขึ้มนมาทีนี้เราเราไปจเจาะลึกได้ดเล น, นี่อันน้อาจารย์เราศที่สอนี่อันมันเอาเราินใจใหม่เอาเรใเาเรในควไอ้ตรงที่ไม่เอาไม่เป็นไรนะี่นะครับเริ่มตรงนี้แยกไม่ออกแล้วส่วนดีแยกไม่ออกก็ใจง่างเลยเอาส่วนนีกับส่วนไม่ดีมาป น, นกันแล้วก็เลยไปเป็นทุจริอะรย่างนี้น นี่เขียกว่าแยกไม่ออระหว่างสัมมาทิฏฐิกับวิชฉาทิฏฐแท้ที่จริงนะทามอกว่าก็สัตว์ในระชาเรายังให้อายไทได้ก็เรายังรัาปรานาดียังยึดรอดกันสัต์ตัวนั้นได้ใช่ไหมอันนี้คนเคยมีโก่กับอารมณ์ของเราแล้วถ้าอย่างนั้นนะถ้าจะมาศึกษาวัฒร์สมมตินะถ้าจะมา ส, สมมติว่าตนเองจะเป็นสมาทิฏฐิสมมตินะ แต่จริงๆแบบสมาธที่มันเดินได้ไม่สะดวกทุกคนหรอกในเวลาปุโรชชนทั้งหลายไม่มีใครเดินสมาธิที่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงถ้าปุโรชนเนี่ยนะเดี๋ยววิจชาทิฏฐิก็เข้ามาแทรก็นระยะแทรก็นระยะแทรก็นระยะนี่ก็เรียกว่าเป็นปุโรชชนเป็นอย่างนี้ให้เราต้องรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักสมาธิรู้จักวิจฉาทิฏฐิให้ชัดว่าขนาดไหนสมาธิเดินขนาดไหนวิชฉาทิฏฐิเดินถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้วิจชาทิฏฐิ ถ้าเขาไปรูน้ในขนาดนั้นเป็นสมาธิจิตแล้วเรามีความเพียรพยายามก็ื่จะรัก ม, มีสติตามด้วยเพื่จะรักมีจิตที่ติเข้าดูสมาธิจิตไหมถ้ามีความคิดแล้วก็เพียรพยายามไปในด้านสนนี้แสดงว่าสมาธิจิตเริ่มเดินเข้ากระแสาขันท่าระยะนงเราได้แล้วเอาอัอมาพูดถึงโยมพออย่างนยมพ่อโยมแม่ยัยงมีความเห็ผิดเต็มไม่ควเลยทีนี้โยมพ่อโยมแม่มีความเห็นผิด บา ง, งอย่างก็ท่านไม่ได้เรียนเพื่อทำตัวสท่านจะให้ท่านแยกยังไงยังยหมายขันทาศรีชนะสัญญาอิศิปฏิจจะท่านแยกไม่ได้เลยอ่ะก็ท่านแก่จะายอะจะมีจะแปดสิบแล้วยกพ่อยกแม่ออกมาก็ได้ฟังก็ทำฟังท่้นจะน้องว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดอยู่ย น, ยกก น, ยยนั่นแหละท่านก็แยกไม่ออกถามท่านเนี่ยจะมาราเอียนพอไม่ได้จะตำหนิได้ไหมนี่ท่านคนนี้เป็นปัญญาพิจิตรอันนก็ตำหนิไม่ได้ ถ้าเราต้องหนีพู้มิจฉาทิฏฐิเราก็คือต้องหนีอดีตชาติของเราเรนาัเนี่ยตั้งรีดดูขันทายายัางของเราในอดีเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างยาวนานมาแล้วใน ส, สนนัตว์ารวตอันมาเก่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกว่ากรรมที่เราไม่เคยทำํำนั้นคือมรรคกรรมโสตดาติ ม, ามันเคยทําสกาต า, า, ากรรมมาธนาครับอารามกรรมมันมาจะพูดถึงนี้ตลอดกรรมเหล่านี้เราไม่เคยทํานอกนั้นทำมาเพียบ และอีกกรรมหนึ่งนะที่เรายังไม่ได้หลุดเข้าไปคือนิยะตาพิชาทิฏฐิกรรมเพราะถ้าใครหลุดเข้าไปแล้วมันดึงตัวออกไม่ได้ท่านนิยตาพิชาทิฏฐิคืออ่อยให้ถูกาทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นอคติยะทิฏฐิแล้วก็นัตถิกาทิฏี่อย่างเหนียวแน่นนะถ้าใครโดลงไปคิดเกินเจต ช, น ช, น ช, ชวนน่าแล้วถอยกลับไม่ได้เพราะมันแปลว่ามันคนเห็นผิดตลอดกาลเลยร่างการเป็นสัตว์ที่เป่าสังสารวัฏก็เรียกว่าวัฏขารุ่งเขาเรียกว่าเป็ น, น, น ต, อ, นตาาองวัตถ์ถอนออกจากวัฏถ์ไม่ได้แต่นอกนั้น เอาทั้งรอบนั้นทำหมดมาเยตัวอย่างหนึ่งมาตัวค่าเราทํามาแล้วสองปีตัวค่าทํามาแล้วสามอาันตรคาาทํามาแล้วสี่เราหินตัวบาบา ท, ทํามาแล้วห้าสารปรเภททาไม่ได้ไปคิดดูไปคิดดูแม่มาถามหน่อยว่าเคยท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เคยด้วยพอใจพระ เราแค่ไมพอใจได้ความไม่พอใจมันมาจากไหนถ้ามันไม่เคยฟังแน่นในกระแสของฐานตาติช า, าอย่างยาวนานในยี่สิแบแปดศตวหรือหลายร้อยศตวรัษเก่าที่แล้วทำไมยังไงทําไมรงชัยพระรามปิดกายท่านอยู่แล้วท่านเราทําไปทะลุไปโจลด้วยถ้าจะโจลดเราทําไมโจลดจอตัวพิจาที่ชิพท่านไม่ได้ตัวที่หน้ารังเกียจที่สุดคือพิจฉารณิชิ ไม่ใช่บคุคคลพ่ายตัววิชาวิถีนี่แหละทำใหสัตว์นั้นต่าเร็วซ้ำใช่ไหมต้องกระเสอือกกระสนมาอย่างยาวนาะนในสงสารวัตรตัวเนี้น่าเกียดมากแต่เราจะถอนมันได้ยังไงถ้าวิปัสสนาสมมาทิ่ฐิมันจะถอนแบบกระทันหันใช่ไหมธรรมะสัมม า, มาทิฏี่ที่จะถอนโดยสมุเฉทล้วบ้ททาง ถ้าหากว่าสมาธิมันจะข่มได้ด้วยวิเคราะห์นะเท่า น, นั้นแหละสรุปแล้วก็คือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทิฏฐิที่เป็นร่องรอยในกระแสธรรมกับุธาอายตนะของเราอัไรต่างๆที่ถอนไม่ออกและในขณะเนี้ยเหมือนที่อาตมาพูดว่าว่าเท้ า, าหมาพรมเราก็เป็นมาแล้วอา พ, าพัสรพรมก็เป็นมาแล้วเวหาบรม เนวาสัญญานาสัญญาอยากจะนัมก็เป็นมาแล้วอาบายา์ในเอวีจีเราก็ไปท่องเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วแต่พอมาในปัจจุบันนี้เราได้ฐานะเป็นมนุษย์หน่อยก็ลืมเนื้อลืมเลยเนี่ยเรามันเป็นที่เที่ยวของสัตว์ทั้งหลายถ้าชีวิตเนี่ยมันเจ็บปวดถ้าในสังสารละวาถ้าเราดูสังสารวาด อีตศร์ที่าเดินทางมาอย่างยาวนานนั่นเีลองดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงลงนรกทั้งๆที่อื่นาโอดีตศัตร์ที่เราเมานัคิดยูดีว่าโพดีตสักะสะอยาหนึ่งได้ฝังแน่นในกระแสใจของเราเาว่กับโอดีตปฏิเจกับโพดีตสมาธิฝังแน่นถ้าฝังแน่นเนี่ยวันนึงเราคิดถึงการตัดสินใจอี่ครับคิดจะออกจ า, า, กอสส า, า, ากวัดใจอี่ครับคิดเบื่อหนายสงสารวันจีครับ ถ้าเรามาคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วปริมาณหน่วยของความคิดของเราเล็กน้อยโดยมากใจของเรานั้นจะติดอยู่กับวัตถุกรรมด้วยอํานาจที่มเรสกาแม้แต่เราศึกษาพระธรรมแม้แต่ขนะศึกษาพระธรรมอาตมาเน้นถึงอะไรเลยมีสมัยลึกทับกาเนี่ยมีพระเถระทัานแสดง ท่านภาวนาพุทธคุณี่นะภาวนาตั้งแต่เช้าจนมืดอทิตย์เย็ท่านท่านเทศนาตอนช่เทศนาไปนจะถึงเช้าเพราะถึงตอนเช้าเนี่ยก็มีบุุคลุ้นมันอยู่ด้านหลังสารีอย่างด้านซ้ายดานขวาทุกคนก็หนไปมองเป็นพระเจ้าเห็นดีท่านยืนฟังธรรมบนทางพระประถา าวิทยมาแด่เลยหบอกมาทั้งแต่คอง้าแล้วก็ยืนบนนมูฟังนก็มา้มาบอกี่ที่ทาสิ่งที่ทำได้องได้ยังงจะบอกว่าพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าเห็นเห็นโยมยืนบนนมูฟังนั่นคือยังไม่อาจจะใจหรอกแต่พระคุณเจ้าก็มาดูในนายอยาที่พระคุณเจ้าสาธยายพืคุณ ใจของใจของโยมไม่เคยหลุดไปจากกระแสธรรมาเดชะนั้นทั้งถื อ, อราาักภาษาที่มันทำได้ไหมเชื่อททมันทำอภัยธรรมใดั้งยกโมมือรู้สึกเปตัประกาศตงอัมายาถตาทํามาจะสารงดัง แล้วก็จะเปคุยด้วยว่าทำยังไงใช่ไหมทำยังไงใจไม่บอกแวกเลยอะไม่อยู่นะไม่คิดถึงใครใจอยู่แต่ว่าปรรเดานาถ้ายกทำได้นะอานมาก็จะสา ย, ายาท่ายันทุกวันวอาตมาจะไมรุกไปไหนตอนนี้ถ้าใครยกยัวเอาให้ยกย ยอมทำมันทำไยอมทำที่ทำไมท่านเวลาสอนเองเก่าก็ทำเก่าว็พกดเล่าไเข้าใจไหถ้าศรัทธานเกิดเองคนเราได้ศรัทธาดูยอมลองทำยอาตัวเองลงเดินไปด้วยกันยอมลองยอมลองศรัทธาเยเจ้าเอา เราจะรู้ว่าใจมันโยกยกล่างร่างกายในปกติเราจะรัดมากตามจิตวิญาใจมันติดแต่ถ้าเราศรัทธาพระพุทเจ้าจนถึงหกสิเปอร์็นไม่ต้องถึงร้อยแค่หกบปร์ซ็ความอะไรในกายในชีวิตมันจะเป็นรอยเย้าไม่รู้หรอกว่ากรณีที่พระพุทเจ้าขอมอบการเปิใม่ชีวิตเป็นแค่นี้คนที่้องมีศรัทธาก็พอแล้ว ใช่ัหมข้าพเจ้าขอมองกายถวายชีวิตเดชพระเจ้ามองกายถวายชีวิตเดชว่าธรรมมอกายถวายชีวิตเดแปลว่าอะไรรู้ข้าพเจ้ารูทของพระเจ้าแปลว่าอะไรนั้นท่านจะไม่พยายามให้ปัญหาเนี่ยมาแทกใจท่านเลยครับเพราะอะไรถ้าตัหามาแทรใจเวลาใดแปลว่าตอนนั้นเป็นทาขงัญหานีแต่ถ้าั มอยู่ในใจขอท่านเวลาใดแล้วคุณเป็นไปกับตถาคตบู้ที่ศรัทตอนนั้นแปล้วท่านเป็นห่าทางองรู้เดียเจ้าทีนี้ถามว่าใครอะไรที่สามารถตั้งกระแสจิตไปได้ในรวัฏฏะเทศนานได้ขนาดนั้ต้องคนที่มีศรัทธานี้เข้าใจหมว่าบางท่านอาศจารย์อัศจรัตทำไมกลุ่มประชานทำอย่างนั้นนดะ้อย่าแปลกใจนะท่านพระเจ้ า, าสงสาราจะนืไปกับยิบตามอง มองพระเจ้าที่ว่ามีหน้าเอริมิทพระรูปของพระเจ้าอย่าแปลอยากไปเอาตัวเองเป็นมองม้าเพราะสัตว์ทินงซีเรามันอ่อนแต่มาใช้คําว่าอ่อนยังไม่ว่าลักษณะของสัตว์ทินงซีอ่ะที่ว่ากับฝักขันธนาสัตยาเนี่ยที่เคยกล่าวไป้นั่ว่าลักษณะของสัตว์ทินงซีเนี่เป็นธรรมชาติที่มีการแล่นไปสู่ทางเพื่อสูงเป็นต้น เพราะว่าศรัท ธ, ธานั้นมีความเชื่อเปน็นลักษณะหรือมีความปรักใจเชื่อเป็นลักษณะนี้มันกิจของศรัท ธ, ธาก็คือว่ายัางนา ม, มาทําที่เกิดร่วมนั้นได้มีความโปรงใสอุปมาเหมือนกับแก้วมันเย็นโปร่งใสทําน้ําที่ขุ่นให้โปร่งใสเช่นนั้นแล้วก็มีกิจในการที่จะแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าอุปมาเหมือนกับการข้ามขึ้นจากกามโมคาโควาที่โคะาอาวิโชคะ พ่วงน้ำคือการเอาคุเป็นต้นนั้นได้และลักศรัทธานั้นปรากฏในใจของปัญญาของโยคาวจน์นะผู้โยคาวจรทน์ก็แปลว่าผู้กระทําความเพียรนะในการตั้งสมถะและวิปัสสนาในการที่จะไขครัวในการที่จะเป็นปัจจัยในการแทนตลอดสัจจะเป็นธรรมที่ไม่มีคุณ ม, มีก็ไม่มีการถ่มทัวก็ได้หรือมีความนอกใจเชื่อก็เลยประการต่อมาคือมีวัตถุ ที่ควรเชื่อประเหตุใกล้ใหตุเกิดมีโสดาปฏิยัมธรรมก็คือมีการปังสัตถามเป็นเหตุกล้เหตุเกิดถ้าถามอย่างนี้นะว่าศรัทธาก็คือความเชื่อที่บอกเอการต่าศรัทธาคือศรัทธาแท้แล้วก็ปฏิรูปประกาศศรัทธาคือศรัทธาเทียมในศรัทธาทั้งสองยังไม่ได้กล่าวไว้เลยถ้าศรัทธาแท้ในศรัทธาเทืสิท์ถ้าศรัทธาเทียมก็คือวิชาที่พูดถที่ได้กล่าวเนี่ย ฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเนี่ยก็ทำอะไรได้อย่างแล้วความตั้งมั่นในการที่ฟังธรรมนี่ก็ฟังได้อย่างต่อเนื่องและฟังได้อย่างยาวนานนั้นอย่าแปลกใจนะในการที่ท่านตั้งใจในการที่จะฟังธรรมของพระบรมศาสดาอย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานเหมือนการรอบน้อมเพื่อจะคุณท่านสักครู่ที่กล่าวถึงในเรื่องของการพัฒนาคถาของพระธรรมดลรัตนอาจารย์ที่ท่านพัฒนานอบน้อมด้วยการยปนาวจีปนามโนปนาวในการที่จะนอบนอมคุณของพระบรมศาสดาเนี่ย เพื่ออะไรการประพืชเช่นนี้เป็นการประพืชตามวงของาอารียวงบุบะเสการนอบน้อมคุณของพระาาราชนัดได้ดีนะการระลึกถึงคุณของพระาาราชนัดได้แต่การระลึกเนี่ยหนึ่งในขณะที่จิตใจระลึก อ, อย่างเราท่านทั้งหลายก็เราคิดแบบนี้เหมือนก็นได้ยังไงว่าเออเราจะกระทาอะไรก็แล้วแต่มีพิธีการในการไหว้หน้าส่วนมนต์เป็นก่อนแล้วก็ปรับเรานี่ทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือวิธีกรรม แต่ถ้าเราจะจอดไปถึงสภาว่าจริงๆถามแบบว่าการที่มีการกล่าวการนอบน้อมตามอารีย์วงวงองปริยาจาทั้หลายนั้นในขณะนั้นใจนั้นเป็นไปในกุศลจิตุบาทานี้ทีนี้กุศลจิตุบาทที่เป็นไปในขณะนั้นมีสัตยินทรีย์เป็นประธานถามว่าถ้ามีสัตยินทรีย์เป็นประธานและในใจใ น, จนั้นทิ่ตั้งมั่นในธีารทของพระบรมศาสดาอีกต่อเนื่องเลย แล้วก็มีเจตนาเป็นประทานบ้างมีปัญญาเป็นประทานเป็นต้นวะฉะนั้นในขณะนั้นาานามนามธรรมกุศลจีวบานนั่นเป็นไปกับคุณของพระบรมศาสดายัางตลอดสายฉะนั้นกุศลที่เป็นไปในคุณของพระบรมศาสดายัางตลอดสายในขณะนั้นก็จะยังปราโมทยีดีปฏิปัที่ความสุขสมาธิที่ตั้งไม่เห็นไหมกระแสแห่งบุญทั้งหลายนี้นก็จะไหลก็สู่จอมจิตใจ ก็ทําให้จิตใจของท่านดูนั้นมีความตั้งมั่นมีความผ่องใสมีความเรื่องใสเพราะสภาพของจิตใจที่ขนบัวนั้นเป็นสภาพที่หยุดอ่านแล้หนักให้สังเกตดูเราท่านทั้งหลายนีะในขณะที่เราฟังก็ทำตัวเด็กใจเป็นหนักพอใจเป็นหนักมันก็จะมู้สึกใช่ไหมมันก็ค่อยยีบลีลงรีบดีลงเยะไ่ไหนั่นส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่รีบดีลงอย่างเดียวเป็นไปตามความรุ้นชินพราะในขณะที่เรามาฟังธรรมอยู่เนี่ย ไอเสียงของตัณหาเสียงของทิฏฐิทังหลายก็ ค, คอยกระซิบอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเอ๊ะเราวานี้ทางบ้านก็จะทําอะไรเนะเนี่ยงานนั้นยังไม่เสร็จถ้าความคิดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเกลียดเวลาเดินออกจากที่ไหนแล้วใจาท่านก็ขาดที่นี้นทำได้ไหมทำเหมือนลูกทธนูนี่มันวิ่งออกจากแกลงออกจากตัวนี่วิงว่งหลุดไปแล้วมันไมย้อนๆๆ ก็หมายความบอว่ า, วาจริงเนี่ยถ้าไปอยู่ในหน้าสินใจนั้นเนี่ยจะไม่ย้อนกลับเพราะเว้นไว้จะไปอยู่ในสิ่งชั่วหลายทั้งหลายมันจะหดดีแต่ถ้าไปในกุลของพระบรมสารดากุลของ พ, องงพอระธรรมุลของพระเดียสุเนี่ยจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าในที่สุดจริงๆเนี่ยเขาได้สาระาจริงๆ ใช่ไหมเพอเข้าถึงสภาวะของพุทธสภาวะของธรรมสภาวะของสามัควว ค, ววคววนี่แปละว่าเขาเข้าถึงความตั้งมั่นแล้วและจิตใจนั้นก็มีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวเขาเรียก ว, ว่าไม่วอกแวกอันมานเจอใันตรงที่อาจารยาท่านก็จะกล่าวบอกว่าธรรมดาสตรียังมีความโลเลให้ท่นานทอกเพราะพูดตรงนี้ทีไรเนี่ย มีผู้ชายคนหนึ่งของเนี่ยตรงนี้เพาท่านอ่านแล้วท่ก็สบายใจขำทำไมก็ผมก็โลเลยทำไมผมต้องบอกว่าตัวผมเองก็กโลเลยแต่ทาไมบอกผู้หญิงโลเลยนายมาก็เลยบอกว่าท่านกล่าวไว้ไม่ถิดท่านกล่ า, าวแบบนายโดตรงคำว่านายโดยตรงคือกล่าวว่นัยแปลว่าผู้ชายคนใดที่เคยเกิดเป็นหญิง ม, มายอย่างยาวนาน แล้วมาหลุดเป็นชายทั้งชาติหรือสองช่ะิไอความ โ, โลเลมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มังไม่ได้ถูกตัดขาดแต่ผู้หญิงบางคนที่เขามีความกิจใจใที่มั่นคงบางทีเขาต้องรลุดจักชายเป็นหญิงไมนานอย่างที่พี่ต้งฉะนั้นเราต้องเข้าใจแต่ควา ม, มเป็นหญิงที่โลเลนี้ต้องให้เข้าใจตรงนงั้นเสียเราจะได้ไม่ขัดแย้งในการศึกษาบระทาวน้ชัดให้สังเกตดูว่าถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีความ โ, โลเลมาก แ ส, สดงว่าความเป็นหญิงของเราเนี่ยมันยังออกได้นานเาะเยาะ ก, กับภาพสภาไว้ใช่ไหมนะถ้าผู้ชายใดนนเริ่มโรเลโรเ ล, โ ล, โล่ทีส่สภาพมันจะกลายได้เข้าใจอย่างนั้นแต่เราชัดเจนตรงนี้เราที่ได้เข้าใจออเพ ร, ะพราะปรมาจารสดาตรัสไว้มีใช่ไหมเพราะในทันยียาเนี่ยแกเชื่อมั่นภรรยาแกว่าภรรยาของตนเองนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ เฉื่อล้วก็ไม่เคยนอกใจเพ ร, ะระาะบรมศาสดาก็บอกว่านายจินีย่านเนี่ยไม่ใช่สัปเหร่จะรู้อะไรจะรู้อะไรเพราะธรรมชาติของใจเนี่ยกลิ่นยิ่งกว่าน้ํามันไปบัวยู่ไหมมันสลับตลอดเวลาคิดสับสนอยู่ตลอดเวลานายจินีย่าไม่ได้อบรมกระแสขันของตนเองมาอย่างยาวนานาจะผ่าโถตรเพระบระมาศาสดา อบรมกระแสฉันของตนเองนั้นร เ, เริ่มตั้งผสมพระจิตในทางกลาพระนหาคุณพระเจ้าในสัปปะรุปารามยี่สิประสงค์ไทยยิ้งด้วยแสงมหากับก็ฝึกจิตดัดจิตมาขนาดยาวนานอย่างนั้นนายธนิยะไม่ได้ฝึกเท่าพระโพธิษัตวพระพุทธเจ้าฉะนั้นนายธนิยะก็คือคนมึนบอดตอนนั้นนะไม่รู้ก็ขนาดจิตของตนเองยังไม่รู้แล้วจะไปรู้จิตของผูคนอื่นได้อย่างไร เนี่ยก็เลยถึงบอกว่าความโลเลเนี่ยมันมีได้ทุกคนจริงแต่ถ้าความมันหญิบโลเลมากกว่ า, าใจําได้ไหมแต่หมายความว่าอัจฉริยะใสอย่างนี้ได้กล่าวนะอย่างนี้ได้กล่าวฉะนั้นการนอกร้องคุณของพระรัตนตรยัยเรื่องความตั้งมั่นนะทำสถิติให้เกิดตามที่ได้กล่าวนี่นะที่บอกว่าพระน้าเกษมก็ะทุนต่อพระราชาว่าศัทธา เมื่อเกิดขึ้นย่อมคมนิวารณ์ธรมทั้งหลายให้สงบราบคาไปได้สีต้นใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยให้สังเกตถามว่าเราทั้งหลายงคิดอยู่ตอนนี้เราตั้งสัตทานิมิยาได้หรือไม่ได้หนึ่งตอนที่กรรมไม่เฉยได้รงในขณะวำมรรมตอนนี้นัสังเกตได้เลยสองพยาบาทเกิดไหมสามขีนนิทะเอาเกิดไหม ถ้าเกิดแปลว่าสัมภาไม่เกิดมันจะได้สังเกตได้ใช่ไหมถ้าไม่มีสมาทิฏฐิมาสังเกตเราจะไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยเราบางครั้งเราคิดว่าเราสัมภาเนะี่ยอย่าดูรูปแบบอย่างเงี้ยเช่นอโอ้โหชยันต์ไปว่าจะไปนั่งหลับบ่อยๆอย่างเงี้ไปเรียนทุกนั่นเลยแต่หลับครึ่งนึเรียนครึ่นงอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่ เพราะสัตว์ทินทซีต้องเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสต้องสามารถขมนิวรณ์ได้หนึ่งการไม่ฉันท้าไม่เกิดสองพยาบาทไม่เกิดสมฉี่น้ำิ้งาความทิจิตโขดหูไม่เกิดเพราะถ้าถีนน้ำทิ้งาเกิดเนี่ยแค่กายของตัวเองก็จะอตัวไม่รอดแล้วใช่ไหมแล้วก็คุณทจับคุณจับุ้งตลอดเวลาเย็นนันแล้วทำไมไมมา น, น ก็ ไ, ไปเลยแล้วก็วิจิกิจจาลากผูงไปตั้งข้อสองสัยก็กัสองสัยนะาพดีหรมากระทบถึงกุจก็ยังไม่รู้ตัวเนะนี่ยก็ต้อ ง, อ ต, องอต้องระวังตอตรงนี้ทา่าน ด, ดูไดักษาธิใจก็นั่นตรงนี้เราสังเกตไม่ยากว่าศรัทธาเราเดินหรือไม่เดินไม่ยากนะ ถ้าศรัทธาเดินเนี่ยมันนั่งสมบุกมบูรณ์วิชต้องรู้เลยว่าศรัทธามันแงมันแล้วต้องแก้ไข ถ, ถามว่าจะแก้ไขศรัทธาอย่างไงอ่ะถามว่าอะไรเป็นปจนัจจัยแก่ศรัทธาชาติทุกข์ชาาราทุกข์ม ร, รณะทุกข์โศการทุกข์ปฏิทิวาทุกข์แสดงว่าอหนความเกิดทุกข์น้อย เราไม่กลัวทุกคือการเกิดไปเกุกความแก่หไม่กลวทุกคือวามเจ็บไข้ไม่กัวทุกข์คืความตาความโศกความรำไรเราตัตางจากเเหันหคนที่เขาเห็นทุกข์มากๆเนี่ยแล้วเป็นตัดใจแต่ศรัทธานมะเขาตั้มันทีนี้แสดงเห็นย้ายตอเราเห็นทุกข์น้อยไปใช่ไหต้องเห็นทุกข์เปนระดับไหนถึงจะมีศรัทธาเยรยาต้องเห็นทุกข์แบบประเภทนางประจัน ที่ถานกลบอกว่ข้าพเจ้าศรัทธาอ่อนไหวข้าพเจ้าประสบทุกอย่างนานปัาจฉรศกัยังข้าพเจ้าจะต้องเจอทุกอย่างนานปัาจฉลศก็ขนาดนะข้าพเจ้าถึงจะศรัทธาในรูปเดียวยงมั่นคงกางไม่ไ้าไปลงศาสนาศรัทธาเราต้องการเป็นทาสรูปเยก็ต้องการนี่ไ้มหรือต้องการเป็นทาสศาตนา ถ้าเป็นทาาของพระเจ้าศรัทธาในสถาระดับพที่ศรัทธาลุชัติใช่ไหมแล้วมาฟังว่าทางที่ที่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาความตั้งนจิตต้องสูงใช่ไมถ้าตอนนี้มันไม่สูงเนี่ยไม่สูงก็ต้องหาอาหารของศรัทธาใช่ไมปัจจัยของศรัทธาคนหนึ่งมีทุกข์ใช่ไหมเอออย่างเราเจอทุกข์น้อยไปเนี่ต้องเจอทุกข์มากๆนี่เราตอนเจอมาเจอทุกข์ไหยมาสมแล้วนี่เราศรัทธาน้อยเออเจอ ถ้ายัางไม่ศรัทธาพระเจ้ า, จาอีกต้องมากตรงนี้ใช่ไหมกล้าไม่รงนี้จริงๆบางคนเขาไม่ต้องเจอทรุกงมากเพราะอะไรเพราะปัญ ญ, ญาคีคือเขาสามารถแล่นไปคิดถึงความทุกข์ของสอบายศาสตร์ปไปได้แล่นไปคิดถึงความทุกข์ของสัตว์อื่นได้หมดเลย เขาสามารถประมวลความทุกข์ของสัตว์อื่นเอามาเป็นความทุกข์ของตนเองทำศรัทธาเป็นตถาคตาที่ศรัทธาปรารถนาเป็นตัวอย่างเลยนี่คือพระโคิศฐ์อยงนั้นเพราะเขาเห็นทุกข์ของบุคคลอื่นมากที่สุดแล้วก็จึมีศรัทธาในการตั้งความเพียรบารมีในสนต่างด้วสัตนี่ไงคือพระโคดิษร์ท่านทําไมทําได้ล่รอรลอยท่านจะทำเป็นตัวอย่างเป็เห็นแล้วเยอะแยะหมดทำไมเราทำ พ่ อ, อะไรเราไปถามองนี้ถามบ่อยๆเป็นพ่ออะไรทาไมยังไม่ศรัทธาเป็นพ่ออะไรทำไมศรัทธาก็ตั้งได้นะทำไมศรัทธา้มแล้วเจอใช่ไหมเรื่อยๆจะเเป็นหนอนจะไปศรัทธาตอนอภาพเป็นหนอนหรือจะเป็นเป็นสันนโรก่อนหรือจะเป็นเป็นเปรตก่อนที่จะย่อเย้ศรัทธาไมต้องถามเลยอย่างนี้ถ้าเป็นเป็นหนอนน่ะจะตั้งศรัทธาได้นก็หมดสิ้นอีโมหะก็ครอบงำเป็อเป็นเปรตจัรกายจราจสันนโรกก็ไม่ได้อี และอีกย่างนะยิ่งในขณะที่ถูกทรมานเนีย่ยส้นทางไม่เเดินหรอโทส่สารไปร้องเหียวปากร้องนั่นเลยใช่ไนีฮะตอนถึงบอกไงบอกว่าจริงๆใยหลักการก็คือว่าหนึ่งตอนเนี้ปริมาณของการวิจัยของเราทั้งหลาย น, น้อยคือสมาทิฏฐิมันไม่เดินนั้นโยนยิสโสมนัสการไม่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่เกิดการปริมาณการฟังคำเพื่อน้อย เอามาเนี่ยว่าเราะมาฟังไหมเอาเนี่ยมาฟังมั้งเนา่ยมาัว่าาน้ันี่มปาการฟังฟังฟัง้านมตใครถามปราอย่ากรณีอย่างเราทนั้งหลายเวลาฟังดไดุณใช่มอย่เช่นวัยฟังอย่างไรกศรัทธาของพ้าถ้าเราพิจารณาถึงยกตัวอย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างอย่างโอ้ามารถยืนบนองมือได้ทังคืนในการฟังธรรมที่อัศจรรย์มาก ใจไปตามกระแสประจามมเีศนาไม่พลากคิดไปกับสิ่งอื่นตลอดทั้งทั้งสิสองชั่วโมงได้อน่ยคือความอัศจรรย์แท้เี่พอตั้นนี้เสเซนท่านก็แล่นไปเลยเนี่ยเข้าบุคคแบบนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อาศรัทธาแล่นไปข้างหน้แแล่นไปแบบนี้ข้ามไปได้เหมือนพระโพิสัต์ทั้งหลายท่านเห็นาพุทธเจ้ามันก่อนท่านก็บอาเนี่ยท่านจะเป็นนีนั่นศรัทธายังม หรือเหมือนคนที่ปราดนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบ้องซ้ายท่านจะตั้งบเนี้ท่านเห็นอัครสาวกเบื้องขวาเบ้องซ้ายท่านตั้งบนต่อไปท่านจะเป็นท่านเป็นเหมือนท่านคนนี้แม้สตาจะแล่นไปอย่างนี้แล้วถ้าสตาจะแล่นไปอย่างนี้อย่างเราที่เล่นไปแล้วก็หยุดบางทีเล่นไปดีแล่นนี้ยไปเจอประสาทมากไม่เอาแล้วนิตั้งไล้มได้อีกแล้วอย่าล้มตั้งแล้วตั้งเลย แล้วอัดศรัทธาเข้าไปอัดวิริยะสติสมาธิปัญญาลูกใช่ไหมข้อมูลเราให้ได้จะไม่จะให้ไม่ได้ถ้าไม่ให้อย่างนี้นะถามว่าความค้นทุกมีไหมฉะนั้นปริมาณการค้นทุ ก, ก็ไม่มีไม่ใช่ว่าคนที่เขาค้นทุเน่ยคิด น, น้อยๆนี่ยปริมาณความคิดหรือการวิจัยเนก็ไม่ได้คิด น, น้อยๆหรอกเราไปถามคนที่เขาจะตั้งฐานนั้นได้ เนือถามหมาโจรที่ยิ่งใหญ่คนจะคิดเป็นโจรเนี่ยก็ไม่คิดวันเดียวหรอกหรือคนที่จะคิดเป็นพุทธยิย่าก็ไม่คิดวันเดียวใช่ไหมคิดไม่รู้กี่ล้านอาตมาพกี่ล้านล้านกลับและลองพิจารณาดูนะพระพุทธมศสด า, า, า, า, าเนี่ยเวลาศึกษาค้นคว้าในคำพีต่างๆไม่ว่าจะโสตะกีก็ดีสัพพะรพิบัติมี่ีหลังๆออกมาเนี่ยนะถ้าต้นตอเลยคือพุทธงวงศ์บางจริยาพิโลกเป็นต้นบ้างแล้วภายในพ ร, ระไตรปิฎกแปดห่ี่พันพระธรรม ว่านี่เป็นอันขาดที่บ่งบอกถึงการการโดนทางพุทธคุณและกระแสพระธรรมเทศนาทัา้งหลายเรสามารถจอดพุทธคุณได้ทั้งหมดเนี่ยเราลองมาพิจรารณาว่าในกรณีที่พระบรมศาสดาที่นัานเดินทางมาอยางยำนะแต่ประวัติที่เราได้ดศึกษามีนิดเดียวให้มีมีศึกษามีนิดเดียวเพราะว่าแต่โลกแต่ละใบเนี่ยพระเจ้ามานเกิดีรล้านั้ง เมื่อทีก็ระบุวิชาเดียวบางทีไม่มีเลยโลกบางใบไปไม่มีเลยนะบางมาเก่าเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีการจ่าเรื่องการเดินทางเส้น ท, ทารบริษัทคาตอนมันเป็นอสังขัยอสังไหนเราลองนึกดูดีว่าหลังนั้นท่านไปทาอะไรในช่วงอสังขัยที่ไม่มีชิปากดเน่ยท่านทําอะไรท่านไม่อยู่เฉยๆรอว่าจะมีชืิปากดต้องมีมาทาบุญไม่ใชทท่ท่านทํำท่านทุกอัตภาพเลย เราจะได้เห็นเจาะเห็นคุณของท่านใช่ไหมทั้งนั้นเราจะคิดได้ยังไงอย่างสมมุติอย่างเงี้ยเหมือนเราเดินทางชีวิตของในปฏิบัติี้เนี่ยที่เราเอามาเล่าให้ลูกฟังนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่แต่เราวันนะไม่ใช่เราไม่คิดนะในกรณีที่เราจะต้องเรียนในการที่จะทํำมาหากินในการที่ต้องประกอบอาชีพการงานเราคิดทุกวันเราทําทุกวันเลยไหมแต่เรามาสรุปเล่าดีๆเราเล่าข้านที่ มันหมดที่ไหนล่ะประวัติอีนาเพียงที่เราประกอบอาชีพกันในการที่จะหาทรัพย์สมานประเทศดูลูกหลานมิตรเล่านี้นั่นมันยากนั้นฉะนั้นประวัติของพระโพธสั์ทั้งหลายประวัติของพระบรมศาสดาทั้งหลายนั้นน่ะท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านแต่งหรือไม่ใช่เมื่อท่านรู้จาราหรืออธิบายไปเสร็จพระหตถเจ้าทั้งหลายท่อธิบายอยว่าเรื่องนีเพระเจ้าตรัสแล้วก็ขยันบ้างเลน้อยเท่านั้นเอง แต่เหลนอกนั้นน่ะผู้มีปัญญาเป็นปฏิทินทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเดินศรัทธาตัวเอนะต้องคิดให้ออกว่า น, นี้แหละทางบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนก ข, ขัมมะปัญญาวิริยะสังติสัจญาทิฐานนะแล้วก็มีตาเวเด็ขาอุปบา ร, รมีป ร, รมัตยบา ร, รมีบารมีสามสิบพันนั้นท่านทํามาอย่างตลอดไม่หยุดยาวนานเราวเราคิดถึงใจของคนที่เขามีศรัทธาดีวันไหนที่ตเขาไม่เคยคิดถึงบุญไม่มีเลย วันไหนที่เขาไม่เคยคิดที่จะปาร็คุณของพระบรมศาสดาไม่ดีเลยเขาคิดตลอดตรึงตลอดพระองค์เนี่ยหกสิปีเจ็สิปีห้าสิปีนียความเพียรพมายามท่าในการที่จะให้คุณพระรามเรียน ข, ของพระบรมศาสดาเนี่ยไม่ใช่ท่านคิดนิดเดียวแล้วก็ไปนอนพักผ่อนไม่ใช่อย่างนั้นนั้นปริมาณของศรัทธาที่ท่านตั้งไว้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะข้ามอย่างโอเคทท่านตั้งไว้อย่างยาั่งยืน ฉะนั้นที่บอกว่าสัทธามีการไม่ขุนมัวที่บ้อนข้าพน้ามเสด็จทูลต่อข่าแต่มหาราชประมาเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรเสด็จราดเจินไปใทางไกลเนี่ยโดยจริญลงกระเสนาเสด็จข้ามท้องน้ําใหญ่น้าน้อยไปในแล้วก็น้ํำประปาเพื่อไปมาคนลช้าคนละม้าคนละรถแล้วละคนเดินเท้าก็น้ำที่ลุยน้ําไปนั้นน้ําที่ใสก็กลายเป็นน้ําขุนกลายเป็นน้ํา มีคนมีเปลือกตรงเต็มไปหมดพระเจ้าจาักรพรรดผู้เสด็จข้ามไปก่อนเมื่อต้องการจะดื่มน้ําตรัสสั่งให้พวกมนุษย์ไปตักน้ําว่าขอพวกเจ้าจงไปตักน้ำํำดื่มมาให้ที่เราจะดื่มน่ะอันหนึ่งแก้วมณีของพระราชาเพิ่งทำน้ําที่คุนนั้นให้ใสได้ชั้นใดอ า, นอามอ า, า, าทั้น้องแก้วมณีของพระราชาลงไปน้ำก็ใสทันทีเดลยครับ ว่าาแต่สมมติเทพน้ําใสแล้ว า, มมาน้ำไหลใช้ลักษณะศรัทธาก็เป็นไปอย่างนั้นแหละนั้นจิตของมนุษย์เป็นชันใดน้ําเป็นชันใดจิตของมนุษย์ก็เช่นนั้นพระโยคารจรน่ยเหมือนอะไรเหมือนมนุษย์ถ้าเราทั้นทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตของเราใช่ไเหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายเนีย่ยจิตที่กลัวคือจิตไม่มีศรัทธาจิตที่ใสด้วยการปาด้วยความกลมของความธรรมศาสาดาตา แล้วก็ว่องไวเื้ยจิตที่มีศรัทธานเนี่ยคิดคเป็นคุณโยธาดีกว่าเลยถ้าเราล้งวงนอนคิดคเป็นคุณโยธาได้ไหมได้ไหมอึดไหมคิดก็อึดเลยนะคิดก็ไม่ค่อยเดินเลยใช่ไ้ไมะระหว่างฟังกับรว่างพูดนันไหนอันไหนตั้งศรัทธาได้ไดีเลยระหว่างฟังกับพูดไหนเหนื่อยเลยเหนื่อย อยอมสักคนขึ้นมาพูดเลยมาจะลงไปนั่ง อ, อัออมาจะตั้งใจฟังอยู่ยังไม่ไม่ห้ามเด็กไปยึดเพราะอะไรเพราะว่าฟังนี่ฟังนี่เป็นเรี่องใช่มคือพูดเนี่ยจเจริญกุศลได้ไม่ได้พอนมาเพรามคามคิดอยูต่ตลอดเวลาคือการแสดงธรรมเนี่ยเป็นการประพฤติธรรมเพราะล่องรอยของบ้าได้ การแสดงทางไปได้บรรล้มาเยอะจากผู้ชมจะแสดงทางไปแสดงทามไปบรู้แล้วคนที่ฟัง ท, ท, ท, ทำแล้วก็บรรลุนับประมาณไม่ได้นั่นเองเอาสุดฉะนั้นวัปรบาบอดีใช่ไหมรู้แจ้งอ่านถามรู้แจ้งทำมากปราบอดีปีประสติความสุสมาธิเกิดนี้ก็เป็นมุตตายาธนาเป็นช่องทางการบรรลุฉั้นแสดงทางมา มาสแสดงทรอะไรมาก็มีความสุขในการที่ได้สแสดงก็จะทำกุศลที่เดินไปเหมือนฟังก็ไม่เหนื้อยานาจะต้องตั้งปริมาณว่าหนึ่ช่องทางการำรุเนี่ยฟังบรรลุก็ได้สแสดงทำบรรลุก็ได้สาสาธยาทำรรูุก็ได้สี่ตรึก็ทำบรรลุกระได้5เอากรรมฐาน 3-8 อย่างได้อย่างหนึ่งเป็นบริหารเมื่อบริหารแล้วทังิตที่เป็นสมาธิปราศจากที่วแล้วก็แทนตลอดขันธะญ า, าตินาสัจัยปุิจาก็เป็นปัจจัยการรู้ได้ทุก ช่องทางมัรูมีห้าแต่เคยขยายเล่นบ้างแล้วเล่นมีน้อยนีินะช่วงนี้ไม่ไม่ต้องการขยายรายละเอียดเท่านั้นมากแต่ฝากให้คิดอย่าไปปิดช่องทางการรู้ก็ไปดูว่าเขาฟังยังไงมันรู้เขาแสดงธรรมยังไงมันรู้เขาสาธยายยังไงมันรู้เขาตึกประทามยังไงมัรู้แล้วเขาปฏิบัติธรรมยังไงมรู้เราจะได้ชัดเจนแล้วก็แยกตั้งหลักได้ถูกจะได้ตั้งหลักได้ถูกใช่ไหม แต่ก่อนธรรมะก็แปลยอที่นา่งไี่เคยฟังธรรมะตลอดคืนก็ฟังตลอดคืนอันนี้เป็นเรื่องปกติต้องทนโบราณแตลกมากก็ฟังนัดนตลอดคืนแสดงว่าเขาตั้งว่าจะต้องบรรลุเพราะการฟังคจะต้องบรรลุเพราะการฟังคำเขาตั้อย่างนี้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมเราคิดยังไงจะฟังคำหนึ่งชั่วโมงไล้ไปกินข้าวใช่ไห แค่เพียงเพราะเราคิดอย่างนี้ว่าเพราคิดอย่างนี้มันก็เลยไปอยู่ที่อาหารนีฉะนั้นเขามไม่ได้คิดเรื่องกรรมาคูคิดในเรื่องของวันจะต้องบรรลุเพาะารตายเพรายารอัยาโดยเฉพาะบางส่ที่ท่านท่านประทับใจอยู่ท่านจึงสร้างเดงตนีฉะนั้นลักษณะของศรัทธานั้นก็จะทาให้จิตของมนุษย์ จิตนั้นก็เหมือนกับน้ําะไรนะน้ำจิตนั่นอ่ะพอโยคะวิรเหมือนเริ่มจะสาดาบือกตมเป็นต้นนั้นก็เหมือนกับจิตเวลาโทศมาแก้วมันีที่บรรดาน้ํำน้ำให้ใสนั้นก็เหมือนกับศรัทธานะั่นแหละความเชื่อพอเขาวางแก้วมันีก็ลงในน้ำสาดไหลแล้วจอกแหนะเป็นปต้นเบือกตมเป็นต้นก็นอนลงไปข้างล่างนะ ศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นก็คงที่วรธรรมคือราคะคือการมฉันทะพยาบาทีนัมิทะหรือทัจจุตจักทีจิตปิชาให้สมมุตรากคาบได้ฉะนั้นในขณะนั้นจิตของะโยข่าวจนและจิตของคนที่ฟังธรรมนั้นก็ไม่ผูกฉะนั้นเหือนฉะนั้นข้าแต่หมาราสนานั้นมีการทำที่บอกสัมปสาระศาสธาเป็คนความส่องใสเปสน็นลักษณะดังที่ได้ยกอุ ป, ปมามาในลนักษณะางนี้ ทีนี้พระราชาก็ถามบอกว่าปากขันธนะสัตทานั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสด็จก็บอกว่าอุปมาเหมือนกับระโยคะวจนท่านเห็นจิตของพิจูรเราอุนพ้นจะกิเลสอย่างเราท่านทัางหลายเนี่ยเราเห็นจิตของพระโสดาบันพระโสดาบันจิตท่านพ้นจากตาข้างด้วยไหมท่านพลจะกิเลสจิตของว่าสัตต คิดขอาหารเรากขาจะกิเลรู้ได้ยางไงรู้ได้จากการสัมผันุษเลยะเราไม่รู้ได้ยงไงเราปริมาณของการคิดที่ไรที่ท่านเปนสมาธิฐิสมาธิฐิสัมมาเวทาสัมมาสติไปแวดล้อมสมาทิฐิแล้วท่านสามารถวิจัยทั้งรูปทั้งทั้งอัชฉขันขันภายในอัชฉริยขันขันภายในแล้วก็วิญญาณขันขนภายในก็ของสัตว์ทัท่านสามารถวิจัยเป็นสมาธิฐิได้หมด เมื่อท่านวิจัยเนสมาทธิจีได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมประการต่อมาก็คือว่าขันทุกขันที่เกี่ยวข้องหรือที่ท่านคิดถึงท่านวิจัยให้เกิดสมาธิจีได้หมดเริ่มตั้งแต่กรมรมตัตหางมาธิจีไอเราเคยเคยทำได้อย่างราอบคอบขนาดนี้ไเนี่ยปริมาณของการวิจัยของเรามันน้อยเราลองไปทำดิดูไม่ต้องเราต้องเอาไปทำไม่ใช่ลองนะเราต้องเอาไปทำ าว่าวันหนึ่งเราคิดถึงคนกี่คนจำไว้ก่อนเขาถามเราท่านทั้งหลายวันหนึ่งเราคิดถึงบุคคลอื่น่ถึงสิบคนไห้ยี่สิบคนไหมกว่าได้เลยเอาถ้าคิดถึงทัานห้าสิบคนก็อเอาคี่ห้าสิบคนมาวิจัยสมมุติมันลืมใช่ไหมรเมราเอามา น, นั่งเอาในกองวิจัยวิจัยกรรมต่าให้เกิดกรรมต่ตางๆแล้วมาที่ที่ใด แล้วเพืเข้าตึงวิบัาเขมาที่นี่คือให้วิจารณาเอย่าวที่ัวิทยาไม่รูปหลงในประวัติแะบรรยายนั่นแล้วเขาวิจัยที่อยู่เรื่อยๆเบางทีไม่ต้องอะไรปกางคนในบ้านเลยไม่เจอวิจัยอะไรเลยพระเข้าเข้าไปในบ้านเราลมทุกคนเลยทายอมผู้ชาก็วิจัยภรรยาคิดถึงภรรยาก็แล้วก็เคยยอมนั่งวิจัยเอาวิจัยของคนเล็กปัญหาเมื่อยกระดูกเยอได้กระดูมาก สมัยก่อนแล้วก็นึกว่างามเดี๋ยวนี้ยังรับปากยังรับเถืพอนรับบอลนะจนมองสมัยก่อนนหูโอ้ดูงามเลยแต่นีคนอะไรบบฝากแคนอะไรเงี้ยเแต่ก่อนยุคฟนก็ยุงามมากตอนนี้โอ้หูดำด้วยอะไร้วจังการะเรือไปไปเอาไปติดไปกับดินเดียวพิจารณาทีนะแต่ก่อนแขนมดู เราเนี่ยป hmm. like. like. ัจจุบันนี้โอ้เส้นเลีขึ้นสะังดเลยนี่พิจารณาอย่างนี้ได้ไเขาให้พิจารณาอย่างนี้เราไปได้เห็นวังจริงของหลกงู่เป็นไงคร้พิจารณาอย่างนี้จะได้ไม่รู้หลงใ่ไในบัญยัิเราก็จะได้เข้าถึงปรมนั้นที่จะได้ไม่รู้หงตรงนี้แหละก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเดินอย่างนี้ ก็คือเริ่มวิจัยทุกคนที่เกี่ยวข้องก็วิจัยรัษณะนี้ทีนี้จมื่นไงใช่ไหการจมื่นได้มากเาจิตจมื่อีกแล้วก็ใช้สมาธิที่งมาวิาสมาสตินี่แหละไปแวดล้อมสมาสมปากเมื่อแวดล้อมสมาสมปากเวลาเราจมืนี่อุกรณ์ใดมัยจะได้จ่นออกจากการจมื่นจากการไม่ใจบาจมื่ในการไม่ห็นดีใช่ทีนี้ถามนักบวชว่าเราริืทีเนี่ยการลิดวาจามี นั่เราก็สมาธิขีนี่แหละคือความมีช่อดเนี่ยเป็นปัจจัยการกล่าวไม่ได้จะมาจะกล่าวว่าทำการกล่าวว่าทำเนี่ยอันตรายถ้าตั้งขินเป็นวิชาที่ขีกลอันตรายทั้งๆที่กล่าวว่าทาเนี่ยแต่ถ้ามากล่าวว่าทําผู้เบียดเป็นตนเบียดเบียนผู้อื่นจมีดผู้อื่นเนี่ยเพื่อต้องการจะถมคนอยู่ต้องการชื่อเสียงต้องการเยรติยศต้องการน้ นั้นเมไรกเนี่ยบาเอาคุณธราลางพวเกิดในใจแร้มาดีแล้วคาพูดที่กล่าวไปเป็นวิจาทิฏฐิความคิดเป็นวิจาทิฏฐิดาริเป็นวิจาสัมปความเพียรที่จะกล่าวเป็นมิจฉาวายะสติในการรู้ทในการกล่าวเป็นวิจาสติสมาธิที่ตั้งขนในการกล่าวเป็นวิจาสมาธิวิจาทิฏฐิิจาสัมปัติมาจฉาจายิจากรรมาอาชีพขอารยมา มิจฉาไร้ว่ามิจาสีมิชาสมาธิมิจฉาทิฏฐิกรรมทั้งหลายก็ไหลที่อยู่ในกระแสใจก็แบบนี้อนรมาะมันนะครับบอกอยู่เนี่ยแต่ก็เป็นไปเาคด้ทำเองนะคำพูดตรงนี้ถูกต้องกัครับเพราะฉะนั้กระตำมานด้ไหมดูสิยอมได้คุณอนุมาตมนนั่งทำาีกว่าเสียเลยฉะนั้นจะบอกว่าจะวางจิตไม่เป็นก็เสียอมาตจะต้องตั้งภาษาสภา เราท่านทั้งหลายจะต้องจำท่านมาที่ฐีนะใช่ไหมถามว่าท่านในขณะที่เกิดความห่วงก็ตอนนั้นเปนสมาธิทิฏฐือเป็นพิทยาทิฏฐิเห็นไมความห่วงมันเกิดร่วมกับโลภะก็ะดนไถึงแม้ความม่วงไม่เกิดร่วมกับโทสะหรือความม่วงไปเกิดในยานวิบยุทธ์ก็มีศักยญทิฏฐินั่นแหละเป็นองค์วยะปัญญา พ่ all, อพ oui, hmm. well, ิจารณถีมันจะบอกยังไงแล้วมันเป็นกระซิบบอกพูดอะไรหน้า่วมจะหลมันจะบอกนหลับให้ก่อนี่จะพิี่ถีงทีก็อ่าช่วงนี้เราฟังมาหลายรอบแล้วจะคิดถบ้านหรือคิดถึงมอไมพจารณทีมันก็จะตื่นบอกโทรศัพท์ดังบอกมือถือดังบอกพี่หิช้าบ้างไปเรื่อยเน่ยวานี้พูดนี้ีแล้วมอวานนี้ก็พูดถึงนีีใช่ไหมนยไอพิ่มันก็จะ วิชาทีท่ดีก็ไปกระซิบวิธีวิชาวิชาที่ดีก็ไปกระซิบเกี่ยวเรื่อ ง, องร้องมาหน้าต่างนี้มันต้องเทให้นจรงท่านเพิงบอกว่าคนที่ไปวิจาร ท, ที่ดีเนี่ยทำถูกย่ถ้าเป็นม่ราชการไม่ไใกลตัวอะไรนี้ท่นบอกว่ารูปแบบก็คือรูปแบบนั้นเราสร้างรูปแบบเข้ามาเนี่ยให้วิธีมันวิ่งเล่นอนย่างกนี้เช่นเราไปสร้องข้อว่าวิธีไปวิธีขัดเกลาร์เราต้องทำอย่างนี้เลยนะก็ไปร้อมของเราไว้ วิจารณิติเราไม่รู้ใช่ไหมอะไรเป็นสมาธิติอะไรเป็นวิจารณิติมันก็เลยไปให้วิจารณิติได้ช่องเดินเลยมันสมัยก่อนที่ยบาคย์สอนให้คนจำนวนมากอาจาสอนไปสอนมาเขบอกอย่างนี้ดังนั้นจุจที่สุในโลกยังอยู่ทีบนโอ้แต่มันตกใจเลยตกใจเนี่ยฉะนั้นในกรณีที่บอกว่าจะรับวิจารณิติมันเดินเนี่ยเราต้องตกใจคนที่เดินมั่งแฝงไม่ได้ในชีวิตจริงเนี่ยนะที่เป็นโรเบียมากเนี่ยอันตร ความคิดางานอะไรเพราะฉนตรงนี้เราก็ต้องพยายามตั้งหลักให้ถูกเวลาเราจะฟัพงพระธรรมคำสอนหรือย่างไม่ต้องใดพิฎจุหรือจะศึกษารคำสอนใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราเราตั้งหลักให้ถูกอย่างมันจะเริ่มจากการขัดเกาว่าเองไปมันไม่ใช่ เ, เพื่อจะขัดเกาว่าอื่นแล้วอย่างเงี้ยเมื่อาจะมาเวลามาแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหลายเนยี่ยจะมาเป็น้อ ง, องขัดเก่าตัวเองเนี่ยเป็นเบื้องต้นท่านทั้งหลายก็น้องที่จะขัดเก่าตัวเองเป็นเบื้องต้นเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็มาทําหน้าที่ในการเป็บริษัท เพราะว่าสิกขาสามกรกกรรมการทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสขันธ์ไรยตนะนันแปลว่าอะไรแปลว่าทาให้ศาสนานั้นมันไหลอยู่ในกระแสขันธ์พเรานี้เพราะศาสนาเป็นที่ของสิกขาสาเนี่ยมิยศาสนาเนี่ยอ่าไเข้าใจผิเนี่ยยิม่บอกว่าสารานเป็ศาสนาอย่าไปคิดว่าจมานเป็นศาสนาอย่าไปคิดว่าีวอเป็นศาสนาเพราะศาสนาในที่นั้นเป็นชื่ของสิกขาสา สีข่ขาสามต้งเดินในกันที่นี้ถามว่าถ้าเวลาใจเนี่ยใจอเราเป็นไตราะขาตัวสามอะตอนนั้นะศาสนาเสือ่อมแป่ว่าศาสนาเสื่อมออกจากใจเราแล้วแต่ถ้าเวลาใดนั้นอะสีนสมาธิปัญญาไหลในกระแสจิตใ จ, จสิ่งของเราเนี่ยไหลในกระแส ก, การความคิดของเราตอนนั้นศาสนากำมันเจนริญอยากลัวตอนนี้พายยากมีทุกข ลุ่มเรืองมากสว่างสวยมากมันเสื่อมแข็งใจเราทุกน GRANT, ั้นเลยฉะนั้นดึงกลับมาเพราะถ้าศสีลสิกขาอยู่ในใจเราจะรักกิเลสอย่างหยาบได้ถ้าสมาธิสิกขาอยู่จะรักกิเลสอย่างกลางก็ปัญญาสิกขาเกิดขึ้นมาจะเป็นปัจจัยการถอนนุสสรีเลสจากกรรมดาษฎร์มต้นได้ใช่ไมใช่ฉะนั้นปัญญาเาทํอาเนี้ถ้าเรามีศาสนาดังนี้เราไปไปเผยแผ่ศาสนาได้ใช่ไ ถ้าเราไม่มีศาสนาในกระแสการฆ่าแล้วเรียนกันหนเราจะเอาอรไปเปิดเผยแก่เราจะศาสนาตรงไหนไปเปิเผยแกมันไม่ได้หรอกเอามระจาพี่โดดไววางไว้เขาอ่านานี้อ่านีสร้างสระเอาไว้เขาไม่มาบังคับเราเขาไขกุญแจไว้มันจะเข้ามาทันทีขึ้นมาลากของตันึ่เนไม่ขึ้นมาเราดูทีเนี่ยเราไปไขประตูไปไม่ไปติดประตูว่ามันมาลากตัวหนึ่าคนไม่มีศาสตร์หนาเชไม่จชมันเาตกบสา ดันั้นเราทั้งหลายประชุมศาสนาไว้ในกระแสขันทาในยานะให้ศาสนาจะเลยรุ่งเรืองในกระแสของตั้งแต่ละบุคคลนั่นแหละศาสนาจะได้ไม่เสื่อมอย่างใจท่านทั้งหลายใจยันถ้าศาสนาในตอนนี้ยังเป็นโลกิยาศาสนาอยู่ทำไงจะพัฒนาโลกิยาศาสนาเป็นโลภุตาราศาสนาเพื่อกาจัดราคะโทสะมุหายได้ยังถาวรตอนนั้นจะได้เป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาเขาก็ปรุศาสษาได้ไหมเป็นผู้ไม่แย่หน้าของศาสนาอื่นและ อย่างเราเนี่เป็นผู้ที่จะต้องคอยเงียหน้ามองศาสดาอยู่ล่างไปเขาเรียกว่าภัยประการหนึ่งคือนาณาสตุมุโลกันนะภัยภัยประกาที่จะต้องเงียหน้ามองศาสดาบางพกบางชาติเราก็ไปประมงมือเคาร็อบูชาบูรณะกัสป่าบางครั้งก็ไปถลรกบูชามัคคีรโศสาระบางทีก็ไปถารกอชิตาเอเสตมน บางทีก็ไปสนใจไปแล้วก็บูกบางนีก็ไปกับบูทปจัจจัยนะบางทีก็ไปที่คนหน้าตาบูเราไปทั่วหมดแลยไม่ว่าคนหน้าเดือดนานง่ะเราเนี่ยไม่มั่นคงในาศาสนาของหมดเลยเจอมั้ยฉะนั้นถ้าเราเห็นบุปกยณ์อื่นๆนะลวนแต่เคยนับถือพระเจ้ามาก่อนกันทั้งนั้นเลยนี่มาปฏิบัติข้ามากรไม่มีาศาสนาแลเป็นศาสนาอื่ มันถึงบอกเป็นเรื่องเก่าแล้วมาทำเป็นใหม่เราเคยทํามาอย่างยาวนานแล้วบางทีเราไปเห็นคนที่เขาต่างต่เราเคยเป็นแล้วเดี๋ยวกาจะเลยเป็นอย่างนั้นนี้เอาเดี๋ยวนี้สมมติเอาดี่อย่างเราเนี่ยศรัทธาอย่างเราเราเนี่ยเราไปไปร่วมประสาทศรัทธาอื่นเนีไม่เกินห้าสิบคนใจก็เลยเพิ่มข้อศอสอยู่ เอาอะ้อง่าเนี่ยก็สอนคนนี้เป็นคนดีเนี่ยไม่เบียดเบียนกันจิตเป็นสมาธิมีการแหมเข้าเฝ้าพระศาสดางเข้าวารินาขังหกของเราแย่เอาอะรตัวเนี้ยเห็นไหมแหมบางวันเสียดีเก้นไปแต่เราเจ็ดวันยังไม่ได้ส่วนมเรืองเอาอะไรตัวเนี yes well> well> yeah ้ยมาอย่างนี้มันคงดีอะไรเนี้ยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ ศรัทธาเรานันหลุดง่ายมากบางทีเนี่ยนะเขาไม่ศรัทธาทำโยมนี้ไปไปไปวันควรก่อนน่าด่าไม่เอาโยมไม่ก็ลบเสร็จเลยสระทบพระทั้งประเทศไทยเลยตอนี้เยีพระด่ายองเดียวเลยนี่น่าจะไปด่าได้ยังไงเนี่ยจริงๆก็คือด้วการที่เราแยกผัดผาพิยานะพิชิต ฉะนั้นในกรณีที่สัทธาเราตั้งไว้ในโซดาถ้าเล่นไปในโสดาปริมาณโซดาปริมสกัาคามมากต้นนีสกัาคามมและในจริงจรก็แล่นไปในคุมเบื้องสูงดังที่ได้กล่าวเมื่อท่านได้กล่าวบอกว่าศรัทธาเนี่ยมันตั้งมั่นไว้แล้วจะเป็นบตรในขีสังยุทนท่านบอกศรัทธา การโมคะโมฆะที่โถฆาวิชฌะฆเนี่ยบุคคลจะข้าได้ด้วยศรัทธานะบุคคลจะข่าได้ด้วยศรัทธาก า, า, ารโมฆะก็โมฆะที่โถฆาวิชฌะฆะเนี่ยคนจะฆ้าได้ด้วยศรัทธาเไห ถ้ามีศรัท ธ, ธาเนี่ยก็จะมีความกล้าที่ท่านอุปมาไว้ในลักษณะที่บอกว่าบุรุษคนหนึ่งมีความกล้ามากที่ว่ามีแม่น้ําขวางอยู่ข้างหน้าคนก็รีเราล อ, ลอไม่กล้าที่จะขทำแต่บุรุษคนนี้พอไปเห็นน้ํำก็สามารถที่จะว่ายแล้วก็ข้ามไปได้ฉันใดศรัท ธ, ธาก็มีลักษณะในลักษณะอย่างนั้นแหะก็เหมือนกับบุรุษคนนั้นข้ามไปเมื่อบุคคลอื่นเห็นว่าแม่น้ําเนี่ ย, ยข้ามได้ก็ตาลก็เลยพากันข้ามาน้ํานั้นไปเนี่ยลักษณะศรัทธา ไปใ น, นรักน์ตงี้แนไปงหาเป็นสู่คําอูก็คือคําโประการต่อมาก็คืออภปมาเรียนะก็หมายความอว่าอันวังหมายว่าอันนบีนะคนจะฆ่าน้ำนบในน้าได้ด้วยาไม่ประมาทนะ จ, จ ะ, ทนนทนนทะจร่วงพุกได้ด้วยความเยียบริสูดได้ปัญญาสรุปแล้วอย่างนี้ในพุทธภา ษ, ษิตเนี้ยหศรัทธาสองสติ 3. สามวิริยะ 4ี่ปัญญาเ็นไพุทธิยาสอนอะไรสอนอริยมรรคโสมมาทิฏฐิสมมามรสมาสติถาว่าองค์มรรคทั้งสเนี่ยก็ชื่อ่ากามรรคครบแปดแต่ทาไมกาวสัาไว้กาวสัตหเป็นปัจจัยแก่มรรคแปดโดยสรุก็คือว่ามรรคแคือสีสมาทิญญา ท่านทั้งหลายทำยังไงจะให้ศีลสมาธิปัญญาประชุมในกระแสขันท่านต้องศรัทธาในพระพุทธญาท่านต้องมีตถาคตาโตที่ศรัทธาจริงๆท่านถึงจะสามารถประชุมศิกขาสามคือสมาทิจฐิสมาสัมปะผังปัญญาขันสัมมาวาจาสัมมาธรรมตาสัมมาจิวะคือศีลฐันสัมมาเวชมัสัมมาสติสัมมาสมาธิคือสมาธิขันศีลสมาธิปัญญานั้นมีศรัทธาเป็นปรรทฐาน สรัตนนั้นมีการฟังพระสัจธรรมเป็นบรรดฐานการฟังพระสัรมมีการครบสัตว์โดยเป็นสุปัฏฐานการครบสัตร์โดยคือการอยู่ในที่ที่สมควรเป็นบรรดฐานการอยู่ในที่ที่สมควรมีปุเพกระตะปัญญาเป็นบรรดฐานปุเภกระตะปัญญามีอัตตสัมมาปฏิทินั่แหละเป็นปรรดฐานเห็นไหมว่าอัตตาสัมมาปฏิทินเป็นปัจจัยแกิดได้ปุเพกระตะปัญญาการปุเพกระตะปัญญา็นปัจจัยเกิดในที่ที่สมควรคือที่ที่มีคําสอนของพระธรรมคสอนพระเจ้าแแบบไปถึง นี้การอยู่ในจิตที่สมควรจะพบพระพุทธเจ้าและสาวพระพุทธเจ้าเมื่อพบท่านแล้วมนโอกาสทำธรรมทำธรรมที่เกิดศรัทธาเพราะศรัทธาแล้วเป็นปัจจัยการรชุมสิาสาคือธรรมลมมักแฝเกิดขึ้นในกระแสามทาหลายแยนอนนี้คือหลักการตรงนี้แต่วิธีเดินเรามีปัญหาเราไม่สามารถเดินสมาทิฐิได้ในชีวิตจริงไม่สามารถเดินสมมาวายมสมมาสติได้ในชีวิตจริงนี่มันเอานีนะอีกประมาณิกว่านาทีจะลงไปรับประทาน สมาบาร์ให้คิดเออเราจะไปวิจัยยังไงให้สมาธิเกิดในการเขียนงานใช่ั้มลําดับแรกคิดกลับมาสัปดาหา์สมีธิเออสแสดงว่า เ, เป็นกุศลกรรมของเราท่านจังหัดใช่ไหมเป็นกรรมเป็นผลกรรมเก่าที่เราไปหนะ้าที่ไหนก็มีคนจัดก็มีให้ก้อนรอับเรา และอีกยางไม่พอเป็นผลกุศลกรรมของรรอเราอย่างดีด้วยมีคนต้องมานั่งฟังธรรมตัว น, นั่งแสดงธรรมที่เราบังโอ้โหบุญมากจริงยังไหมใช่อีกบุญอีกอยากหนึ่งก็คือฟางธรรเสร็จลงไปมีอาหารเงินระทานนี้นี่เป็นบุญเก่าที่เคยทํำกัาไว้ฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายถูกต้อนรับแบบไหนท่านก็เคยต้อนรับกันมาแบบนั้นเองใช่ไหมใช่ นี่เป็นผลของบุญเขาเรียกว่าเห็นผลของบุญใช่ไหมและในขณะเดียวกันในขณะที่มาฟังธรรมเนี่ยลาง ท, นนาทีก็มีเสียบบสงบาปแทรกเข้ามาด้วยอันนั้นคือผลของบาปใช่ไหมเราเห็นผลของบุญเห็นผลของบาปอย่างนี้เขาเรียกกรรมสกตาสมาธิเกิดระดับเห็นผลและในขณะเดียวกันที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเราใช้กายกรรมปีกรรมโนกรรมเกิดขึ้นไหมถามว่ากายกรรมตัวนี้เป็นกุศลไหมเป็น กลังตัวนี้เป็นไม่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็นถามว่าคุณกระบ่ากอะไรเกิดมากกว่าปุณเกิดมากกว่าสมมุติอย่างว่าสมมุติปุณเกิดมากแต่โดยมากปุณต้องเกิดมากเพราะปริจัยมันตองกระแสปุณที่เกิดเกยาวเกิดมากกําลังเยอะอันนี้แปลว่าเรามาสร้างอีกช่นในขนาดเดียวกันเรามารับ เรารู้ว่าผล้องคุณไม่เที่ยงแช่ไหมใช่เพราะตัวกรรมคือเหตที่ทําก็ไม่เที่ววยงเรากินไม่ครามาะฉะนั้นพอพิจนะรารณาในลักษณะนี้นนะเราเวลากินอาหารเราก็โอิคผลของคทีนี้ในขณะที่เรากินอาหารเนี่ยอันนี้เขาเรียกาำกรรมใหม่นะเรากินด้วยจิตเป็นกุศลได้กินด้จิตที่เป็นบาปได้ไมโอะอาหารมันเีมอร่อยเอาถ้าเกิด เป็นโลภะเป็น ป, นปเเเุเป็นบาปกินไปหิวขัดเคืองไม่อรอยเลยเป็นบาปไหมก็เป็นบาปไม่รู้ตามมาเป็นจริง ก, ก็เป็นบาปผิดสรุปแล้วถ้าเราไม่ได้พิจรารณาเห็นไหมว่าก็เป็นบาปนี่รายละเอียดตรงนี้เราต้องจับประดนี้นนะถ้าระดับสูงไปก็จะพิจรารณาโดยรูปเวทนาทิฏยาทุกขา น, านุญาณจะต้องคอยดูแลตลอดคราวนึงเนี่ย น, นา ม, มาทำเนี่ยเราก็ต้องมา เพื่อจะได้ดึงกระแสข่าวที่จริงคิดตัวเองออกจากศสาลัทธินแม้รู้วรามเรากัจนต้องมาหย่อนจังหวนะโอ้โหการนี้การดูแลลูกเวทนาสัญญาตัญญาวิญญาีนพระเจ้าด้วยว่าฉันจะผารักไหมเออเรามาศึกษาสัญญาลวิบากเรี่ยวการดูว่าวิบากที่พระเจ้าจะต้องแบกรับในการที่ต้องนำวามทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเข้าไว้ในตนในการที่จะเดินมพปันช่างเริ่มมีสิทธเบรมีสิทปรตม กว่าจะได้สัมมาสัมโพธิยากว่าจะมีพรทําให้เราได้นความสุขโอ้โหยาไกลมากตื่นกระลึ้งตื่คุณพระเจ้าเนี่ยเราในในขณบที่เรารับประทานอาหารทานอาหารไปก็ะมนาศิกาในใจเป็นถ้าใครจะมาคุเราเดี๋ยขอขอไม่สนธนาเลยต้องการจะยึดถึงคุณของพระเจ้าว่าโอ้โหเนี่ยหรือต้องการ ถ้าลอาทอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ขาดสตินะมีความเรียรมีสัมปชัญญะมีสติในการที่จะกำจัดพิชอยวามีอและต่อม <es> <Music> ้ยความอันนี้ก็เรียกเจริญสติวัฏฐานในขนาดที่น่าอายนะลองไปทำดูที่อย่าใช้คาว่าลองต้องเอาไปทตยังไงตอย่งยิ่งเลยอันนี้ก็ควรเวลา Uh